<c oughs> วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่นะก็เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้มาที่วัดหม้ ย, ยงนะก็เคยได้ยินชื่อวัดมาบ้างพอสมควรนะ <c oughs> วันนี้ก็คงจะมาแนะนำ <c oughs> ในเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะให้เราได้สร้างแล้วก็เกี่ยมีใครจะสักถามปัญหาไม่ทราบมีใหม่กันไหมหรือว่า ถ้าใครจะเขียนปัญหาใส่เศษกระดาษมาก็ได้นะส่งขึ้นมาได้แนละ้วก็อตาตมาจะตอบปัญหาก็อาจก็ทำให้กับเราที่มีข้อสงสัยหรือพระจะเขียนปัญหาขึ้นมาก็ได้นะครับมินหม่นทุกรู ขึ้นที่ไหนเนาะแม่นขวาอะไรอ๋อ มีเวลาถึงกี่โมงไม่รู้เห็นท่านเจ้าวาบอกปกติจะเลิกเท่ไร่สามทุ่มหรอสามทุ่มใช่ไหมจะได้กะเวลาถูกป <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> กติเราปฏิบัติแบบนไหนกันนาะ นิยมว่าทั้งนั้นเลยหรือเปล่ามาประจำใช่ไหมมาประจำายมปฏิบัติยังไงบ้างเล่าให้ฟังสตรีกน้อยนั่งสมาธิทำยังไงเนาะอ๋ะอกำหนดพุทโธอ๋อยุบหนอพังหนออฮะ แล้วก็บริกรรมลมหายใจด้วยด้วยไหมอ๋อเยอะเลยยังไงมันเหมองกันอ๋อเยอมเละทำร่างกายให้สบายไปมา ของเยมทำยังไงเนาะก็นันลหมหายใจ <c oughs> อ, อ๋ออ๋อมีสติอยู่ตลงหมหายใจนะได้พอทราบเป็นแนวทางของการปฏิบัติที่นี่นะอาตมาก็จะ นำเสนอข้อปฏิบัติซึ่งถ่ายทอดมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็จ <c> ะ <oughs> ามาถามสามสี่คน <c oughs> ก็ไม่ค่อยเหมือนกันเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายแบบนะน่ทีนี้ภายใต้ความหลากหลายเนี่ย ก็จะเป็นความหลากหลายที่เป็นความเห็นของใครบ้างในพุทธศาสนาของเราก็จะเอาความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเป็นหลักนะว่าแต่ละคนก็ได้ยินได้ฟังมา <c oughs> จากคนนั้นคนนี้ท่านนั้นท่านนี้บ้างนะ อะไรเป็นเครื่องวัดความถูกต้องนะ่ะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไวนะ้นั่นก็คือคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงใช่ไหมอาจารย์คนแรกของภิกษุทุกลู่ใช่มอืมภิกษุที่บวชในในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ่ะสาวไปหาอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์น้อยอาจารย์ไปสุดที่ใครเนาะสุดที่กัมพุริเจา้า นะพรูเจ้าเล่นสอนองค์แรกเลยแจกสอนปัญจวัคคีย์นะขยายไปนะ่ะจนทั้งได้พระละหันหกสิบรูปแรกนะก็ให้กระจายออกไปทั่วโลกเธอจงนำธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐานและพญชนะบริสุทธิ์บริบูรณีแล้วสิ้นเชิงไปประกาศนั้นเอาคำพระสกาคตนี้ไปประกาศ นเราไม่ได้เอาความเห็นของท่านเหล่านั้นไปประกาศนะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นคนคิดเป็นคนพิจรารณาเป็นคนบัญญัติเหมืนสาวกไม่มีธรรมะน่ะอืมสาวกเนี่ยจําจากพระธรรคตไปแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเวลาจะถ่ายทอดก็ถ่ายทอดคําพระธรรคตออกไปนี่ อย่างนี้ <c oughs> คำถามใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรวบรวมไปเรื่อยเดี๋ยวตอบมวนเดียวเลยนะถ้าย่อสย่งมาได้นะคำถาม <c oughs> <c oughs> เดวจะตอบให้ทั้งหมดเท่าที่เวลามีอยู่นะ่ะ ภา่ใต้ความหลากหลายเนี่ยอพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ <c oughs> ใช้คำสอนของท่านพระองค์ตรัสอย่างไรพระองค์ตรัสว่าสุดต่ตาตๆเหล่าใดที่นักวีหรือคนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกองประเภทกราบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นาสุดต่งตางๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่งี่นหูฟังไม่ตั้งจิตเพอจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียน <c oughs> นะคำที่คนแต่งไม่นะ่าคำที่สาวกพูดนะอย่าเพิ่งเปฟังบอกฟังคำตถาคตก่อนนะเพระราหันในคํา้ว ก, การก็มีเป็นพั น, นกันนะใช่ไหมผู้เจ้า ทำไมบอกฟังแต่คําตถาคตนะครัจาท่านตรัสว่าส่วนสุดตันตๆเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลู ก, กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดต่ตางๆเรานะํามาเ่าอยู่ในเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมมีหูฟังย่อมตั้งจิตที่จะรู้ทั่งถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเราเรียนนะครับเอาโสมาท่านก็จะขึ้นบาลีสยามรัฐไทย อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นพุทธพจนะล้วนๆจากข้าแต่พิดกในส่วนที่เป็นพุทธพจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านตรัสอย่างนี้ท่านก็บอกอีกว่าถ้าเราไปสนใจคำของสาวกเนี่ย จะเป็นเหตุให้ศาสนาค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆพระองค์ก็เปรียบเหมือนกลองศึกของกระสักพวกทัศล a h ะชื่ออนากะนั้นมีอยู่กรองอนากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกแต่ก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทําอย่างนี้ทุกคราวไปเรื่อยๆในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้น นี่เป็นความอันตรธานของคำของพระสรัตน์คตอันเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลึกุตละว่าเฉพาะเรื่องสัญญตาจะมีได้ด้วยาการอย่างนี้นะนี่ผู้เจ้าท่านกล่าไว้ว่าศึกษาคำตรัสรัตนะ์ะดีที่สุดเลื่ที่สุดนะอาตมาก็เลยพยายามจะเอาคําตรัสรตมาเปิดเผยให้พวกเราได้ทราบนะ <c oughs> ท่นี้คํ า, าคตรัสรตมีในไหน มีในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกไม่ใช่คำพระบุริเจ้าทั้งหมดพระไตรปิฎกมีคำที่แต่งเติมขึ้นมากพอสมควรนะแต่เราต้องการให้สมพุทธประสงค์ของท่านที่บอกว่าให้ศึกษาแต่คำตถาคตเราจึงเจาะลงไปในระดับพุทธวจนะ <c oughs> ซึ่งพระที่เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็พยายามดึงพุทธวจนะ ออกมานะ่ะทํามาได้ห้าเล่มคือท่านพุทธทาสนะทํามาได้ห้าเล่มใหญ่ขนาดนี้นะรูปลวงมารียศสี่ทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ในนี้แล้วสองเล่มอริยสัจจากโอษฐ์ภาคต้นภาคปลายนะแล้วก็ประวัติที่พระเจ้าเล่าเองนะอีกหนึ่งเล่มใหญ่ขนาดนี้ปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์คืออริยสัจสี่โดยละเอียด ที่พระองค์ได้ตรัสไว้เองอีกหนึ่งเล่มใหญ่แล้วก็คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คำที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพิสูจโดยตรงมีห้าเล่มทีนี้เราก็เห็นว่าแมหนังสือนี่มันหาแทบไม่ได้เลยนะในประเทศไทยก็เลยพยายาม <c oughs> พิมพ์เผยแพร่พอจะไปพิมพ์ก็เลยต้องตรวจแก้ใหม่เพราะต้นฉบับของท่านยังไม่มีเป็นรูปแบบซีดีนะ พอตรวจแก้ใหม่ <c oughs> ก็เลยต้องเข้าไปเช็คในบาลีสามรัดนะแล้วก็เห็นว่าของท่านยังไม่ได้ดึงพุทธวจนะที่เหลือออกมาอีกมากพอสมควรอาตมากับคณะสงฆ์ก็พยายามทาต่อไป <c oughs> ให้จบทั้งพระเจดีบ์ดด้วยการดึงพุทธวจนะออกมาจากพระเจดียเราจะได้มีหนังสือที่เปิดแล้วมีแต่คำพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลย และจะทำเป็นภาษาบาลีควบคู่กันไปด้วยนะหน้าต่อหน้าบาลีหน้านไทยหน้าหนึ่งบาลีหน้านไทยหน้านเราเช็คคำได้ตลอดเวลาว่าคำภาษาไทยที่เราศึกษาอยู่ตรงนั้นนะมาจากบาลีอะไรนะก็จะทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้คำของผู้เจ้าเนี่ยขยายไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างไกลนะ <c oughs> นั้นก็เลยทำรวบรวมเป็นหนังสือขึ้นมาพุทธวจนะนะนะอันนี้เล่มที่สองตรวจแก้รั้งที่สองนะก็จะตรวจแก้เสร็จห้าเล่มแล้วก็ทำต่อยอดของท่างรูท ธ, ธาต์ไปให้จบทั้งพระไตรปิดกนะ <c oughs> แล้วก็จะมีพระที่ท่านคล่องภาษาภาษาอังกฤษท่านก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อไปนะเพื่อ <c oughs> ให้ทุกคนได้เข้าถึงคาพระพุทธเจ้าจริงๆ นะ <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าในอนาคตจะมีพิสูจนที่ไม่สนใจคตาตถาคตจะเป็นเหตุให้คําตถาคตค่อยๆหายไปจากโลกถ้าคาพระเจ้าหายไปจากโลกนี่จบเลยนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราว่าความคาสูญแห่งกาลยานวัต tn ี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกไลยนวัตของเราเลยนะอย่าเป็นคนสุดท้ายนะในเสาสนาของท่านในข้อวัดปฏิบัติของท่านนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดํารงคําพระสัทขาไว้ดํารงไว้ไม่ใช่ได้แต่พิมพ์หนังสืออย่างเดียวนะโยมต้องเอาไปอ่านอ่านแล้วไม่ใช่อ่านอย่างเดียวโยมต้องเอาไปปฏิบัตินะถึงว่าจะมาถามว่า ทุกวันนี้ชาวพุทธปฏิบัติตามใครเลยต้องทำมาอีกนี่หันพับขึ้นมาชาวพุทธปฏิบัติตามใครอยู่ทุกวันนี้ น, น่าสงสัยไหมว่าที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราปฏิบัติตามพุทธทวจะนะแท้ๆหรือเปล่าหรือเราปฏิบัติตามความเห็นของใครบ้างใช่มอาตมาก็เลย <c oughs> รวบรวมไว้ เหตุผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้จัดเอาไว้พระสถาคตได้จัดไว้ประมาณสิบเผลสิบข้อสูตรในนี้เป็นคำพระธถาคตทั้งหมดเพื่อบอกว่าทำไมจะต้องมาศึกษาคำพระธถาคตเพราะอะไรเราเคยได้ยินแต่ว่าผู้เจ้าเก่งอิทธิปาฏิหารนะเก่งอาเทสนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตพรมจิตเทวดา แต่เราเคยรู้ไม่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพูดเก่งด้วยพูดเก่งยังไงนะพระเจ้าท่านจัดว่าท่านเนี่ยสามารถกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวจําเดิมแต่ท่านพูดคําแรกจนกระทั่งถึงคําสุดท้ายพระเจ้ากําหนดสมาธิไม่ให้คําพูดนั้นผิดพลาดแม้แต่คําเดียว ซึ่งไม่มีสาวกคนไหนทำได้นี่คือพระสูตอภิเวสนาเรานั่นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตนะย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกเห็นหั้มมีสาวกคนไหนทำได้บ้างยังหาไม่ได้เนะี่ย เพราะถ้ามีสาวกที่ทําคําพูดได้ไม่พลาดน่ะจะต้องมีปรากฏและพระเจ้าคงจะต้องสรรเสริญเอาไว้แต่หาไม่ได้เอาภาสารีบุตรมือขวาเลยอัคครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญาที่พระตาคตชมว่ามีความสามารถเป็นรองจากพระองค์ลงไปถ้าเปรียบเหมือนผู้ที่จะขึ้นกองราดสารีบุตรเปรียบเหมือนโอรสองโต นะของกษัตริย์ที่จะได้ขึ้นของราชต่อไปนะ <c oughs> พูดออกมายังมีข้อผิดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงสาวองค์อื่นๆนะภาษาลิบุตรมีข้อผิดอะไรบ้างเช่นว่าเคยเสนอผู้เจ้า ว, ว่าภิกษุที่ไปเข้ากับพวกเทวทัตเนี่ยลอกกลับมาได้ น, นะไปดึงกลับมาได้แล้วเนี่ยให้ศึกพวกนี้ทั้งหมดเลยเราให้บวทใหม่ ผู้เจ้าบอกอย่างไรสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสูจน์เหล่านั้นเลยให้ปรับบัติถุลใจนะ <c oughs> เอาถ้าทาสารีบุตรมีปัญญาเลิ่จริงคําพูดที่หลุดออกมาไม่มีข้อผิดพลาดเลยจะต้องไม่ถูกผู้เจ้าแยง้งใช่อืมนั่นแสดงว่ามือขวาผู้เจ้าผู้เลิ่ทางปัญญาเป็นพระอาหารหันด้วย คำพูดก็ยังผิดพลาดได้จริงไหมอ่านี่ตัวอย่างภาษาลิบุตรคิดผิดมีไหมครั้งหนึ่งมีภิกษุคณะหนึ่งจะมาขอฟังธรรมพรปัฏธเจ้า <c oughs> แล้วส่งเสียงดังผู้เจ้าก็ไล่ออกไปหมดก็ทำภาษาลิบุต ร, รสาษลิบุตรขณะที่เราไล่ภิกษุกลุ่มนั้นออกไปเนี่ยเธอคิดอย่างไรภาษาลิบุตรก็บอกข้าวงคิดว่าเมื่อ ถาผู้มีพระภักษ์เจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขเขาวิหารธรรมในที่ศธรรมถ้าพองก็ขวนขวายน้อยบ้างผู้เจ้าก็บอกสารีบุตรอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีกเห็นไหมคิดยังโดนเลยนะไม่ใช่นะ่เหรอคิดพลาดก็มีผู้เจ้าทราบหันไม่ถามโมคขลานะโมคขลานะเธอคิดอย่างไรนะพระโมคขลานะบอกว่าเห็นข้าผู้มีพระภักษ์เจ้าทรงขนขวายน้อย ต้องการประกอบประกอบสุขขาวเวลารมในทิศธรรมข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนพิสูจต่อไปเออใช่ได้คิดอย่างนี้ถูกต้องไงนะอัองนนี้งานนี้พระโมฆะละนะถูกถูกต้องนี่คือตัวอย่างว่าพระหันในครั้งพุทธกาลพูดพระพูดผิดคิดผิดทำผิดมีหมดพระมหากรินา เป็นพระหลานเก่งฤทธิ์ด้วยคิดว่าให้ตัวเองเป็นพระหลานแล้วไม่ต้องไปลงอุโบสถดีกว่าผู้เจ้าทราบความพิดมาปรากฏ ต, ต่อหน้าเลยบอกกัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพอุโบสถกัปปินะเธอจงไปลงโบสถผู้เจ้าต้องมาคอยป้องกันข้อพลาดข้อผิดของสาวกทุกทุกคนนะที่เมื่อมีการกระทําแล้วจะเป็นเหตุเสื่อมของศาสนา นี่คือความไม่เป็นสัพพัญญูของพระอรหันต์ของสาวกเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยมีขีดจำกัดไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้ทุกเรื่องจึงมีการกระทาที่ทางกายทางวาจาที่ผิดพลาดได้ทางจิต ด, ด้วยนะเพราะท่านไม่ใช่สัพพัญญูนั่นเองพระเจ้าก็ต้องมาคอยแก้ไขคอยบัญญัติน่ะเรื่องราวต่างๆ พระโมฆารนะพระภารตาวชะา <c oughs> เดินไปด้วยกันไปในเมืองไปแสดงฤทธิ์นะเรื่องถึงพระพุชาผู้เจ้าเรียกมาสอบพาลตวาช้าทำจริงหรือเปล่าทำจริงเรียกประชุมสงฆ์ต่อไปภิกษุห้ามแสดงฤทธิ์ใครแสดงฤทธิ์ถูกปราบปรบเป็นพระหลานเก่งฤทธิ์ทั้งคู่นะไม่รู้ว่าการกระทำตรงนั้นจะเป็นเหตุเสื่อมของาศาสนาในอนาคต ผู้เจ้าก็ต้องป้องกันเอาไว้เห็นไหมมียกตัวอย่างให้เห็นเอาระดับมือซ้ายมือขวาของผู้เจ้าเลยใช่ไหมเอาระดับทหานนะเก่งลิศนะมีพร้อมครบเครื่อง <c oughs> นี่จึงเป็นตัวอย่างให้ให้พวกเราสร้างแล้วผู้เจ้าเก่งอย่างไรอีกในเรื่องการพูดพระองค์บอกว่านับแต่ลาตรีที่พระองค์ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปรินิพาน คำพูดของพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันเลยสอดรับกันได้ทั้งหมดเข้ากันได้ทั้งหมดมีใครในโลกที่พูดแล้วคำพูดของตัวเองไม่มีขัดแย้งกันนะต่อให้ในสภ า, าเนี่ยนั่งกันอย่างเงี้ยสามสี่ร้อยมันสมองร่างกฎหมายออกมาเป็นพันพันมาตรา <c oughs> ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเลย กฎ ห, หมายลูกขัดกันเองบ้างกฎหมายลูกขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างนะแต่ผู้เจ้าบัญญัติทำ ม, มากเป็นพันพันหมวดวินัยเป็นพันพันข้อไม่เคยต้องมาแก้อีกเลยเออวันนั้นตถาคตพูดผิดเดี๋ยวเ๋ยวขอแก้ก่อนนะไม่เคยคำพูดของพระตถาคตเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการนะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยทราบ ไม่ค่อยได้ทราบเราเลยประมาทคำของพระธถาคตเราเลยไม่ค่อยศึกษามีใครได้ศึกษาพุทธวจนะแท้ๆล้ว น, วนๆเปลี่ยวๆบ้างนยยกมือให้เป็นที่ชื่นใจหน่อยไม่มีบ้างเลยลหรอในศาลานี้น่ <c oughs> ถ้าไม่มีต้องต้องขวนขวายแล้วนะวันนี้เอามาแจกบ้างเล็กๆในน้อย น่ะก้าย่างมีไหมก้า ย, ย่างโซดา บ, บันน่ะโซดา บ, บันบันนี้เอาหนังสือโซดา บ, บันมาน่ะเอาซีดีแล้วก็เล่ม น, นี้หนักมากพอสมควรแบกมาได้ประมาณสามสิบเล่ม น, น่ะใครต้องการเพิ่มไปรับได้ได้ที่วัด <c oughs> อ นี่เป็นพุทธวจนะล้วนทั้งหมดอันนี้รวมคุณธรรมพระโสดาบันไว้เราจะได้ตรวจสอบตนเองว่าพระโสดาบันพระตถาคตสั่ไว้อย่างไรถ้ายังไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาต้องขวนขวายนำเอาไปอ่านเอาไปศึกษาซะเพราะว่าพระตถาคตไม่ใช่ว่าจะเกิดมาได้ง่ายๆครั้งหนึ่งในโลกธาตุหนึ่งและคำของพระองค์ มีอยู่ในมือเราอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะถ้าไม่อ่านจะเสียชาติเกิดนะเนี่ยนะอยากเกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอนี่ไงทันพระุทธเจ้าไ้มนี่คําพระตถาคตอยู่ตรงหน้าเรานะซึ่งจริงๆเราทันพระพุทธเจ้านั่นนี่ <c oughs> ถ้าคำท่านยังมีอยู่ชื่อว่าทันพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้กับพระนลว่าอา น, น์ ความคิดอันมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอนุนเธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปห่งเราเพราะฉะนั้นนี้คือธรรมและวินัยที่พระตถาคตจักออกจากปากของพระองค์เองให้เราศึกษาซะจันได้รู้ว่าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว พระศาสดาพูดอะไรบ้างออริจินอลอยู่ที่นี่กลับไปหาออริจินอลหน่อยน ะ, อะไอเรื่องยากง่ายหนาบางไม่เกี่ยวมันสำคัญว่าข้อมูลที่โยมจะเอาไปศึกษาเอาไปประพฤติปฏิบัติมันถูกหรือมันผิดมันคาดเคลื่อนไปจากออริจินอลขนาดไหนคาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมที่ระสถาคตพพูดขนาดไหนนะ บางคนพูดว่าอาณาปานสติเป็นแค่สมถะเขามักผลไม่ได้อา้าวแล้วพระตถาคตตัดอย่างไรบอกบุคคลใดทำให้มากจเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นปริโยสารคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่เขาวังได้สองอย่างคืออาณาตผลหรืออาณาถามีผล เอาถ้ามันเป็นแค่สมถามันจะเป็นได้ถึงพระอราณาหรือพระอนาคามีหรือใช่ั้ยเพราะฉะนั้นใครพูดแหละใครพูดแล้วคำนั้นเป็นสัจจะคำตรงคำจริงและถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลคำสอดรับกันทั้งหมด <c oughs> หรือว่าบอกว่าอือานาปานสติเป็นเฉพาะของมหาบุรุษเท่านั้น นคนอื่นปฏิบัติไม่ได้อ่าถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเปลืองับพูดท่านอยู่ทําไมสอนอนาณาปานาสติตั้งยี่สิบห้าพระสูตรในชีวิตของท่านเรารวบรวมมาหมดแล้วใช้คอมพิวเตอร์สแกนทั้งพุทธวจนะทั้งพระไตรปิฎกว่ามีพระสูตรทั้งหมดกี่พระสูตรที่พระตถาคตสแสดงเรื่องอนาณาปานาสติมียี่สิบห้าพระสูตรนะเราก็รวบรวมมาให้ กำลังจะทําเป็นหนังสือออกมานะอีกไม่กี่สัปดาห์คงจะเสร็จเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่เราฟังมาแล้วมันคลาดเคลื่อนคนก็เลยแยง้งแ้งั้นเป็นของมหาบุรุษเราก็ไม่มีสิทธิทำน่ะสิแต่ว่าตาตนสอนกับใครสอนจะ บ, บุคคลสอนกับพิสูจให้พิสูจเนี่ยจเจริญอนาณาปาร์บุคคลใดทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปนสติ บุคคลเห็นไหมไม่ใช่มหาบุรุษทําให้มากจะเลยให้มากนี่เป็นความคาดเคลื่อนนะพดัะนั้นเมื่อเราศึกษาพระพุทธเจชนะเราจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเราจะได้ทราบว่าเราควรจะศึกษาอย่างไรเราควรจะปฏิบัติอย่างไรหนทางไหนเป็นมัคคุเทศที่ง่ายหนทางไหนที่พระเจ้าสรรเสริญเอาไว้นะเราจะได้ความสะดวกในการเข้ามรรคผลนิพพาน มาอยู่นุ่งชุดขาวกันทุกวันนี้เป็นโอดาสวัตนานะคือข้ารหัสผู้นุ่งข่มขาวนะเป็นอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ประพฤติประมาจันะต้องการมรรคนิพพานไม่ใช่เลยหรือต้องการอย่างอื่นนะถ้าใครต้องการอย่างอื่นนี่ผู้เจ้าบอกเลยนะมันเป็นการประพฤติปรมาจันที่เศร้าหมองถ้าเธอต้องการเป็นเทพ ย, ายดา นิกายใดนิกายหนึ่งนั่นไม่ใช่พุทธประสงค์ของพระผู้มีสภาคเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานมาสแสวงหาความไม่ตายเราเป็นของเกิดของตายพูุ้ทธเจ้าบอกว่ายังไปสแสวงหาของตายมาเป็นของเราอีกมันไม่ประเสริฐท่านจึงเรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐ เราต้องแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคืออมตะธรรมคือความไม่ตายอะไรเป็นของตายบ้างแพ้แกะไก่สุกรช้างโคม้าลาบุตรภรรยาฆ่าทาตกรรมกรจิดถาบรรดาสัตว์ทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองเป็นของเกิดของตายของเกิดของดับของเกิดของเสื่อมนะพระเจ้าจึงให้แสวงหาโลกุตตรธรรมโลกุตตระทรัพย์มรรคผลนิพพานอมตะธรรม สแสวงหาความไม่ตายเพราะาเราก็คงอยู่กันอีกไม่กี่ปนะีไงตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปงานศพกันแล้วใช่ไหมแรกๆก็ไปงานแต่งไงนะไปงานเลี้ยงหลังๆนี้เริ่มไปงานศพแหละอืมศพเพื่อนศพพี่ศพน้องศพญาติเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วไงนะอืมแต่ไม่มีโอกาสได้ไปงานศพตัวเองนะอืม คนอื่นมาแทนพูน้เจ้ <c oughs> าจึงให้สแสวงหาความไม่ตาย <c oughs> อมาตะาธรรมมะขุนนิพพานหรือวิมุตติ <c oughs> <c oughs> และตรงนี้ไม่ใช่แต่เราจะทำได้เท่านั้นนะ เราทําตัวเองได้แล้วปฏิบัติตามพระธถ า, าคตได้แล้วพระเจ้าบอกยังเป็นความเจริญของพระศาสนาด้วยเพราะความเจริญของพระศาสนามีกี่อย่างมีกี่อย่างใครรู้บ้างความเจริญพระศาสนามีอะไรบ้างลองคิดในใจว่าตรงกับที่พระตถาคตตรัสไวไหม บางทีเราก็บอกว่าต้องบวชกันเยอะๆต้องสร้างเยอะๆใช่ไหมก็ไม่ใช่นะหรือทำยังไงถึงจะเป็นความเจริญศาสนาต่างคนต่างมีความเห็นกันไปเต็มไปหมดเลยดูซิตรงกับพระาสากฏไหมพระเจ้าจัดไว้สามนัยยะนัยยะแรกมีสี่ข้อหนึ่งต้องจดจำบทบัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกซะก่อน จดจำบทบรรชนะก็ผิดแล้วค่าเคลื่อนแล้วเพราะไปจำบทบรรชนะของใครมีใครจดจำบทบรรชนะพระสถาคตได้บ้างนะอ่านยังไม่เคยอ่านเลยเมื่อกี้ถามว่าใครเคยอ่านบ้างไม่มีใครยกมือเลยอะ่ะใช่หอ่เพราะฉะนั้นข้อแรกผิดแล้วข้อแรกผิดแล้วนะสองพิสูต้องเป็นผู้ว่า ง, ง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความรบหนักแน่นภิสูจว่า ง, ง่ายไหมปัจจุบัน น่ะดูเจ้าว่ายากเหมือนกันนะอืมเดินห้างช้อปปิ้งกันอุตลุดเหมือนกันน่ะว่ายากสอนยากหาพิสูจที่มีทุดงค์เวัดก็จะยากเหมือนกันน่ะครูเจ้าเคยบอกกษัตริยเราและเธอต้องช่วยกันสอนพิสูจน์นะพิสูจเดี๋ยวนี้ว่ายากสอนยากไม่ค่อยถือทุดงกันน่ ะ, นะเราและเธอต้องช่วยกันสอนนะพิสูจต่อไปอืม เห็นัหมมันมียากตั้งแต่ในครพุทธการแล้วนะข้อสามเป็นอย่างไรความเจริญพระศาสนาที่สู่ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงแม่บททรงมาติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลราชสืบทอดกันต่อไปนะในเมื่อข้อที่หนึ่งผิดแล้วข้อที่สามันก็ผิดไปด้วยเราถ่ายทอดทำใครอ่ะ ใช่ไหมเราจายทอดคำในกรในขอหรือคำที่ใครที่แต่งขึ้นใหม่แต่งใหม่เมื่อห้าร้อยปีที่แล้วเมื่อพันปีที่แล้วหรือพันกว่าปีที่แล้วแต่ข้อมูลของอาตมานะในนี้สอง0ันร้อยปีนะเก่าสุดนะเทียบข้อมูลกันได้ข้อมูลที่โยมทราบมาทรงจามาได้ยินได้ฟังมากีป่ปีกัน อาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของเราถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาจากไหนถ่ายทอดมาจากสิ่งที่เป็นพุทธวจนะหรือถ่ายทอดจากสิ่งที่คนแต่งขึ้นใหม่ที่แหละคือประเด็นที่เราจะมาชี้กันว่าอยากให้พวกเราทั้งหลายมาศึกษาพุทธวจนะอาจารมาไม่ได้ให้บอกอาพวกเรามาศึกษาคําของพระคริขลิศนะไม่ใช่ หรือไปศึกษาคำของปริพภาชกลัทธิที่นั้นลัทธินี้นะคำของเจ้าลัทธิศาสนานั้นศาสนานี้ไม่ใช่บอกให้พวกเราทั้งหลายมาศึกษาคำของพระศาสดาคำของพระศาสนาคตไม่ดีเหรอใช่ไห ม, มเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริง <c oughs> ข้อที่สี่ความจเจริญศาสนาเป็นอย่างไร ผู้เจ้าบอกพิสูจนที่เป็นเทระแล้วต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องหันหน้าไปในกิจแห่งวิเวคธรรมปารบความเปี่ยนเพื่อใหถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งพระที่เป็นเทระแล้วต้องเป็นผู้นําในทางที่ถูกต้องเทระคือบทนานสิบปีขึ้นไปนะชื่อว่าอยู่นานต้องนําไปในสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้พระก็ ไปไหว้พรมไหว้เทพนะพาไปก่อสร้างบ้างอะไรบ้างนะสาระผิดแล้วผู้เจ้าบอกให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระไปหาเทพเทวดาเป็นสาระนอีกแล้วไปคนละเรื่องผู้เจ้าบอกเหตุเสริมของพิสูนผู้ยังไม่บรรลุก่อสร้างคุยนอนคุกคลีปัตนาเร็วคบมิช่วยหยุดเลิกเสในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อย็ดข้อ บอกก่อสร้างนี่เป็นเหตุเสื่อมอันดับหนึ่งที่สูธรรมอันดับหนึ่งเหมือนกันใช่อืมเราไม่ช่วยกันป้องกันความเสื่อมของศาสน า, าเลยแต่บอกว่ารักพระพุทธเจ้ารักศาสน า, ศาอยากให้ศาสน า, า, าเจริญต่างคนต่างทาตามความเห็นของตัวเองทําไมไม่ทาตามพุทธประสงค์ล่ะก็เลยเมื่อพระสถาพจน์ตัดไว้เนี่ยตัดไว้ตรวจสอบได้หลักฐานที่มาที่ไป นะบานลีเสยมลับมาจากไหนรัชการที่ห้ารวบรวมรวบรวมจากไหนรวบรวมจากรัชการที่หนึ่งรวบรวมมาเก็บไว้ในที่ของมืองเทียนธรรมวัดพระแก้วรัชการที่หนึ่งเอามาจากไหนเอามาจากยุคธิริพุนชัยเอามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีมาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกมหาราชอมาจากไหนเอามาจากการสังเขนาที่พระมหากษัตริยสังเขน่าน่ะ ในสมัยที่ผู้เจ้าหลังผู้เจ้าเปรติพานก็ช่วยกันทรงจําคําพระตถาคตผู้เจ้าเปรติพานแล้วนะไม่มีใครมาตอบคําถามให้พวกเราแล้วนะต้องช่วยกันทรงจำเอาไว้ก็มหาคสปา ก, ก็ขอประชุมพระอรหันห้าร้อยลูกเนี่ยเหมือนที่เรานั่งกันอยู่เต็นท์สลายอย่างนี้แล้วก็สักถามกันเอ้าเอ้าวาลีเก่งวินยัย พูดขึ้นมาสิพระตถาคตตัดเรื่องวินัยอะไรไว้พูดขึ้นมาพระมาหากรส ป, ปะจำอะไรที่พระเจ้าพูดได้บ้างพระอานนท์นะจำธรรมะได้มากพระตถาคตตัดอะไรไว้พูดขึ้นให้ในที่ประชุมนี้รับทราบแล้วสวดขึ้นทรงจำไว้พร้อมๆกันทั้งห้าร้อยลูกจำไว้แล้วช่วยกันถ่ายทอดต่อนะถ่ายทอดต่อเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถ่ายทอดคำสาวกนะ เขาถ่ายทอดคำพระศถาคตจำคำพระสถาคตทุกคนปกป้องรักษาคำพระสถาคตเอาไว้และถ่ายทอดกันมาสอง0ันร้อยกว่าปีโชคดีเหลือเกินที่ยังพอมีอยู่แต่จะเป็นโชคร้ายถ้าเราไม่ได้ศึกษาเพราะคำพระศาสดาจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเรื่อยๆเพราะการไม่ใส่ใจของพุทธบริษัทด้วยกันเอง ภิกษุภิกษุณีบาโุบาสิากาความเสื่อมศาสนาไม่ต้องไปดูที่ใครไม่ต้องไปกังวลภัยจากภายนอกภัยจากภายในคือพุทธบริษัทสี่ด้วยกันเองไม่สนใจคำตถาคตจบเรียบร้อยศา ส, สนาหายเธอเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของเราแน่นอนนะซึ่งพระองค์บอกว่ายาเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระองค์ นะ <c oughs> นัยยะอื่นมีไหมที่พระองค์ตัดไว้เรื่องความเจริญความเสื่อมพระศาสนาต้องช่วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าทำอย่างนี้ศา ส, สนาเจริญนัยยะที่สามบอกให้เป็นผู้ฉลาดในอายจตนะและเป็นปฏิจจสุ ป, ปาทักุศลาตาเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะ ทำสองอย่างนี้อนุเคราะห์โลกเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจานวนมากอนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะและจะทำให้พระสัจธรรมตั้งมั่นมั่นคงมีอายุยืนยาวเราทราบเหตุของความมีอายุของพระาศาสนาแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวอายุพระาศาสนาจะสั้นลงเพราะใคร พ่าพวกเราเองไม่ใช่พราะใครนะเริ่มตั้งแต่ตัวพิษสูไปเลยและศาสนามีอยุห้าพันปีเหรอใช่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมศาสนามีอยุห้าพันปีเคยสแกนให้ดูสิเดี๋ยวนี้เราตรวจได้แล้วเนี่ย <c oughs> ทำอะไรที่เราได้ยินได้ฟังมาเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านืมบางคนบอกไม่อายุมืนปีเลยนะหรือต่ำกว่านั้น 5้าพันมีจริงหรือเปล่าเราคีย์คำว่าห้าพันเข้าไปแล้วเราก็สแกนในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคอยเปิดทีละหน้าสองหน้าแล้วตกหลน่นหลงลืมหมดแรงหลับก่อนพอดีให้คอมพิวเตอร์มันหาให้นี่มันกำลังสแกนไปให้ตั้งแต่วินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกข้อมูลออกมาแล้วว่างไม่มีแสดงว่าพระเจ้าไม่เคยตัสคาว่าห้าพันปีนั่นนี่น่ะ ข้อมูลคาดเคลื่อนอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่อาตมาถึงบอกว่าเราต้องศึกษาพุทธวจนะนะพุทธวจนะถามว่า้ใครเป็นคนพูดขึ้นมาคนแรกไม่รู้ใครพูดม่รู้แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดก็อย่าไปสนใจนะให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปพระเจ้ า, าตรัสไว้ในมหาประเทศสี่ ถ้าภิกษุรูปหนึ่งพูดขึ้นมานะ <c oughs> ว่าเนี่ยจำมาต่อหน้าพระพผูพ้มีพร ะ, พระภาคเจ้าเลยหรือว่าบอกว่าจำมาจากคณะพระเถระในอาวาันนั้นอาวาันนี้หรือว่าจำมาจากภิกษุคณะพระเถระผู้พูสูตรอาวาันนั้นอาวาันนี้หรือว่า จำมาจากพิสูผู้หูสูตรูปใดรูปหนึ่งอาว่านั้นอาวา่านี้เธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านให้นำคำอันนั้นนะ่ะไปตรวจสอบในหลักคำหลักวิเนะหลักวินัยหมวดอื่นซะก่อนถ้าเข้ากันได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้คำนั้นชื่อว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนะ มีแขกไม่ได้รับเชิญมาสุนักสุนักอ่อุ้มก็ไปข้างนอกหน่อยออผู้เสียสละ เพื่อความสุขของพวกเราทั้งหลายในการฟังธรรมนี่คือหลักมหาประเทศสี่ใช้ได้หมดผู้เจ้าวางหลักไว้แล้วย่อมอาจจะสงสัยว่าคำของผู้เจ้าเนี่ยถ่ายทอดมา 2,500 กว่าปีนี่คาดเคลื่อนหรือเปล่าโมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าตรวจสอบได้อย่างไรนี่ หลักมหาประเทศสี่จะเป็นตัววัดสอบอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่ผิดแม้แต่คำเดียวและคำของพวกองค์สอดรับกันทั้งหมดหลักมหาประเทศสีจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนพูดคนนั้นพูดไม่พลาดถ้าพูดพลาดแล้วหลักการนี้ใช้ไม่ได้พุทธเจ้าจึงวางหลักมหาประเทศสีไว้ใช้ตรวจสอบตรวจวัดความเสื่อม ในคำของพระองค์ไว้เป็นพันๆปีเลยหลักการเดียวสบายมากนะและหลักการอื่นเป็นอย่างไรอีกก็คือหลักธรรมของพระตถาคตนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเป็นอย่างไรเช่นนะ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 ก็มีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกับริเทวะทุกขา์าดโทมานัสอุบายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นพราะแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้สายปฏิจจะเนี่ยที่โป่งจัดไว้เนี่ยที่ถูกถ่ายทอดกันมาเนี่ยโมไหมจริงไหมตรวจได้ไหมตรวจได้แม้ในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะโยอมออกจากวัด กลับไปเดินห้างในยุธยาออกไปหาซื้อเสื้อสักตัวก็ได้โยมก็เดินไปในห้างไปร้านขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีเป็นร้อยเลยโยมก็มองมองมองดูเสร็จก็ไปเจอตัวหนึ่งนะล้วโยมก็จ่ายเงินซื้อถามว่าอะไรเป็นเหตุให้โยมเกิดความอยากที่จะซื้อเสื้อตัวนี้ตอบตัวเองได้ไหมอะไรเป็นเหตุ ที่ทําให้โยมเนี่ยเกิดความอยากที่จะซื้อเสื้อตัวนี้น่ะถ้าโยมไม่ได้พอใจเสื้อตัวนี้โยมจะซื้อเสื้อตัวนี้ไหมไม่ซื้อเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรความพอใจต้องมาก่อนความอยากจริงจะตามมาผู้เจ้าจึงบัญญัติเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเห็นไหมตรงไหมเอ๊ะแสดงว่าคนพูดคํานี้จะต้องมีตัวตนจริงนะ ใช่ไหมอ่าเพราะพูดมาสอง0ันกว่าปีแล้วนะเนี่ยถ่ายทอดเดี๋ยวมาสองพันกว่าปีแล้วถ้าถามโยมต่อไปนี่ทำไมโยมต้องชอบด้วยละ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมีความชอบจึงมีขึ้นมาได้ใครตอบได้เพราะอะไรมีความชอบจึงมีนี่เรื่องของตัวเราเองเลยนะจริงๆต้องตอบทุบ ได้เลยพุทธศาสนาส่วนพุทธบริษัทต้องตอบพับเลยถ้ <c oughs> า ไ, ไม่มิไม่มีลูกตาไปเห็นเสื้อไม่มีเสื้อมาให้ลูกตาเห็นความพอใจอันเกิดจากตาเห็นลูกจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ผู้จ้าจริงบัญญัติปัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอะไรอุปาทานโยมจ่ายเงินซื้อเสื้อ ก็เลยการมาเป็นว่าเสื้อของฉันเดิมเป็นเสื้อของห้างตอนนี้เป็นเสื้อของฉันแล้วมีอุปทานเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมถ้าเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกถ้าเสื้อโยมหายโยมทุกเพราะมันเสื้อของฉัน น, นี่แหละ <c oughs> แล้วผู้เจ้ายังบัญญัติละเอียดลงไปอีกนะระหว่างตัณหามาอุปทานเนี่ย เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปรองใจลักกําหนดด้วยความพอใจสงบโมมาจับอกจับใจจะนีห่วงกันมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันตนันีรู้จักไหมห่วงกานรู้จักไหมจับอกจับใจรู้จักไหมนะรู้จักหมดเลยแต่มีใครบัญญัติออกมาได้พระสถาคตบัญญัติมาสองพันกว่าปีเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ เวลาผ่านมาสองพันกว่าปีพวกเราก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้เหมือนกันตรวจได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือฟังตามตามกันมานี้คือลักษณะของธรรมะที่เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตา ม, ตามกันมาและไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะอนนี้มันจํากันมาถูกหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าบัญญัติมาถูกต้องหรือเปล่านะ ไม่ยากเลยตรวจได้ตรวจได้ด้วยตนเองตรวจแบบทางโลกก็ได้ตรวจแบบทางธรรมก็ได้ตรวจแบบทางโลกมีหลักฐานใดในโลกนี้ที่เก่ากว่านี้อีกช่วยขุดหามาให้หน่อยนะไม่มีแล้วหลักฐานในทางพุทธศาสนาอันนี้เก่าสุดนี่หลักฐานในทางโลกและหลักฐานในทางโลกยังมีอยู่ในอินเดียในเนปาล น, นะสาวินาโศกมีนะแกสละ บทปัญชนะที่เป็นคำประสาโคตรเอาไว้หลักฐานในทางธรรมใช้อะไรหลักมหาประเทศสี่ใช้หลักความเป็นปัจจตังใช้ความหลักในครานเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองใช่อืมหลักทางโลกุตละมีพร้อมหลักทางโลกก็มีนะตรงนี้แหละนะเหตุปัจจัยเหตุผลที่จะบอกให้เราทราบนะ และถ้าพุทธบริษัททั้งหลายมาศึกษาเฉพาะคำตถาคตรพระองค์บอกว่าจะเป็นบริษัทที่เลื่ที่สุดที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริษาโนอุกาจิตวินีตาบริษัทที่ใช้แต่คําพระตถาคตเป็นเครื่องศึกษาและเครื่องดำเนินไปและพระองค์ก็ยังบอกอีกว่า ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วอย่าเติมอย่าตัดคำของพระองค์นะตัดไว้ในอริหานิยธรรมทำที่เป็นไปเพื่อความเฉลิญไม่เสี่ยงข้อที่สามเธออย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระสถาคตบัญญัติเอาไว้ทุกวันนี้ก็เพิ่มบ้างตัดบ้างกันอุตลุดเลยเพราะนั้นโยมต้องกลับไปดูว่าที่โยมปฏิบัติกันอยู่ พระตถาคตเคยตรัสไ ว, ว้บ้างหรือเปล่าย่อมจะได้มีมาตรฐานที่ถูกต้องนะและเวลาเราสอนลูกเราสอนหลานเราเราจะได้สอนในกัลยาณวัตรที่พระตถาคตบัญญัติถูกต้องไหมไม่ใช่สอนในกัลยาณวัตรที่ใครก็ไม่รู้บัญญัติเนะี่หรือสาวกเองบัญญตัติเพราะสาวกไม่ใช่สัพพัญญูนี่ใช่มอืมซึ่งพวกงบอกว่ายาเติมยาตัดนะ แผนที่เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญตัตไว้แล้วเนี่เอาแผนที่ไปเดินดีเดินเก่งถึงที่หมายเป็นพระอรหันต์พระนาคาพระสกาทาคามีพระโสดาบันถึงแล้วเนี่ยอย่าเที่ยวมาบอกว่าพระตาคตบอกว่าเลี้ยวซ้ายยังไม่ดีต้องเลี้ยวขวาเนี่ยไปลบไปตกแต่งแผนที่พระพุทธเจ้าใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ฐานะของสาวก องคที่หนึ่งก็แต่งองค์ที่สองมาลบเปลี่ยนใหม่อีกองที่สามสี่ห้าหกองค์ที่ร้อยต่างคนต่างเห็นว่าความเห็นของตัวเองดีเลิศประเสิฐนะความเห็นของตถาคตยังไม่สมบูรณ์ของเราดีกว่าจบเลยนะองที่สองร้อยมาเดินหยิบแผ่นที่นี่มาเดินหลงเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทรงไว้ซึ่งคําพระสถาคต เดินตามแผนที่อย่างดีผู้เจ้าจึงบอกว่าสาวกทั้งหลายเธอเป็นเพียงมรคานุขาผู้เดินตามเท่านั้นถึงเธอจะเป็นพระอหรหันต์ที่เลิศทางปัญญาก็ตามพระสถาคตเป็นมรคัญอยูรู้มร ก, ก่อนเป็นมรคาวิถูรู้แจ้งในมรคเป็นมรคโกวิทุเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัรคานุขาผู้เดินตามถึงแม้เธอจะเป็น ภิสูผู้ปัญญาวิมุตตก็ตา่าให้เลิกทางปัญญาด้วยนะต้องรู้ขีดจำกัดของความเป็นสาวกต้องรู้ความสามารถของพระตถาคตให้ลึกซึ้งนะแล้วเราจะไม่เติมไม่ตัดแล้วเราจะเดินตามพระตถาคตอย่างไม่มีข้อสงสัยพระพัาลิมีข้อสงสัยนะ ถ้าสถาคตบัญญัติไม่ยอมเดินตามผู้เจ้าบอกพระธาริเธอเป็นพระอริบุคคลในขั้นโสดาสกาธาคาอนาคาพระหลาหนบ้างหรือเปล่าบอกไม่ใช่น่ะถ้าสัถาคตเนี่ยก้าวเท้าลงไปในหล่มโคนพระอริบุคคลทั้งหลายจะก้าวตามไหมพระอริบุคคลทั้งหลายจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัย ถ้าตถาคตก้าวลงในหลมโคลนเขาจะก้าวเท้าลงในหลมโค ล, ล, ลนลคลบ้างเพราะไม่มีข้อสงสัยในความเป็นตถาคตแต่ตถาคตกําลังบัญญัติทําบัญญัติวินยัยพระพัทลีบอกว่าทําไม่ได้น่ะแย้งพระตะถาคตขึ้นมานะไปเปิดดูในพทัทลิกสูตรแล้วกันว่าอรพัทลีแย้งอะไรพระพุทธเจ้าน่ะอืมจะได้มีการค้นคว้ากันบ้างน่ะเดี๋ยวให้อตมาบอกสมยหมด นะ่ะมันจะไม่ตื่นเต้นนะ่ม <c oughs> <c oughs> เวลาเราสวดมนต์เราสวดอะไรกันนะเวลาเราสวดมนต์พระพุทธเจ้าอยู่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าสวดอะไรพระพุทธเจ้าอยู่ผู้เดียวท่านลังล้ำพึงลํำพันนะ่ะลํำพึงลํำพันอะไร ผู้เจ้าฮัมเพลงเหมือนกันนะฮัมธรรมะนะผู้เจ้าผู้อะไรเม่อยู่ผู้เดียวเพรามีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายอนั้นเพราะมีสลายอนัเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเพราะองศาสายสายปฏิจจสุบาร์สายวงรอบการเกิดสายวงรอบการดับมีพิสุรูปหนึ่งมาแอบฟัน ผูเจ้าสารยายเสร็จก็หันไปบอกภิกษุเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ทำปริยายนนี้มีประโยชน์มากน่ะเราน่าจะสวดสายปฏิจจสุบาทิไหมเราน่าจะสวดกฎอิทัพปัจจิตาไหมนะอิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุปาธาอิทางอุปัสติก็ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิอสติอิทางนาัโฮติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมั ส, สะนิโรธาอิทางเนลุสติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใครโสดบ้างสีบ่บรทัศนเองช่วยยกมือให้เห็นหน่อยยกมือให้ชื่นใจหน่อยมีไมหมใครโสวดกดอิทับปัจจะยาตาเนี่ยไม่มีเลยนี่พระเจ้าบอกว่าใครคล่องในสีบรรทัดเนี่ยจะเป็นผู้แตกฐานในปฏิจจสมุปบาท เห็นไหมเราเป็นพุทธบริษัทผู้กำลังขับเคลื่อนภาษัตธรรมออกไปแต่เรารู้เรื่องภาษัตธรรมสักบทไปชนะหนึ่งไหมน่าเสียดายไหมเราสวดทุกวันเลยน่ะน่ะอิติวิโสได้คงได้ใช่ไหมคงจะคล่องกันหน่อยอิติวิโสเนี่ยเป็นตัวโสตาปรยียงคัสีนี่อยู่ในนี้ เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันอันตามารูลกล่มไปแล้วสี่สิบกว่านัยยะนะ่ะนัยยะของความเป็นพระโสดาบันเดี๋ยวนี้ก็คิดจนเองคุณสมบัติพระโสดาบันเป็นยังไงนะ่ะพวกเรามองโอโ้โสดาบันสงสัยจะไกลข้าน่อยคงไปไม่ถึงแนะ่เลยน่ะสงสัยจะไปไม่ถึงอย่าดูหมิ่นตนเองกนาดนั้นอย่ามีอตินิพพาตักสคัญตนว่าเลว นะ <c oughs> เป็นมานะหนึ่งในมานะหกถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดทผ้าหัวดืวออตินิปาตาสำคัญตนว่าเลวนะ <c oughs> พวกเรามีศักยภาพในการบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นโสาบานเป็นอย่างไรนะคุณสมบัติโสาบานรู้หรื อ, อยังว่ามีคุณสมบัติอย่างไรถึงบอกว่าทำไม่ได้ ต้องไปเห็นนรกสวรรค์ไหมต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ไหมต้องกำหนดรู้จิตมนุษย์จิตสัตว์ได้ไ้ยต้องมียานอย่างลู่ยอดีตไหมต้องมียานอย่างลู่อนาคตไหมความสามารถเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเป็นโสดาบันหรือเปล่าไม่ใช่เลยคนที่มีความสามารถเหล่านี้มีอทธิปาฏิหาริย์มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ลุ่อดีตล่อนาคต กำหนดรู้จิตได้ตายไปก็ยังไม่พ้นจากนรกกมีไรสานเปรตวิสัยผมเขาก็ทาได้ผมบางพวกทำได้เทวดาบางพวกทำได้แต่หลังจากตายแล้วรฐฐพระตถาคตบอกว่าเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกมีไรสานเปรตวิสัยมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์เลยเป็นเครื่องวัโสดาบันหรือเปล่าไม่ใช่อีกเครื่องวัสโสดาบันมีอะไรกลับไปดู สินห้าของเราดีไห้สินห้าของตัวเองใครมีสินห้าที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ฟลายช่วยยกมือหน่อยหนึ่งท่านเยี่ยมมากเอาไปแล้วหนึ่งในสองคุณสมบัติของความเป็นขัสดาบันดีมากที่กล้ายืนยันด้วยตนเองพระสถาครดบอกว่าให้พยากรตนและตนอย่าไปให้ใครพยากรสินยมดีไม่ดี ใครจะมาตรวจเช็คโยมได้นอกจากตัวโยมเองโยมกินข้าวอิ่มไม่อิ่มต้องไปถามคนข้างๆไหมผมอิ่มหรือยังครับ <laughs> ผมไม่แน่ใจคุณครับสินผมดีหรือเปล่า <laughs> ถามตัวเองสิถามตัวเองเนี่ไม่ต้องไปถามใครนะอันที่สองอะไรคุณธรรมความเป็นปโสดาบัน <laughs> ผู้เจ้าตัดสาลบุตรเธอรู้ไห <laughs> มคารวาที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบัน ให้ดูอย่างนี้เขามีคุณธรรมสองประการไหมหนึ่งพ้นจากภายเวณห้าประการก็คือตัวสินห้าเมื่อกี้นะอย่างที่สองเขามีโสตาปฏ ญ, ญังคัาสี่ไหมคุณธรรมสี่ประการคืออะไรเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสินนั้นเป็นที่รักของพระริเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พ้อยมีไหมข้อที่สอง ใครมั่นใจเปี้ยๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างนะยกมือให้ดูหน่อยอ๋อหลายคนใช้ได้มีเครื่องตรวจสอบอย่างไรในความมั่นใจในพระพุทธพระธรมพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบอย่างไรใครตอบได้ มีอะไรเป็นเครื่องตรวจสาวว่าโอ้ยเรามั่นใจละมั่นใจเต้เลยแต่ลูกสาวชวนไปดูหมอเออเอาซะหน่อยก็ดีอืมเ ห, หรหรือมีคนมาบอกว่าโอ้คุณอีกสามเดือนคุณจะตายคุณต้องไปแก้กรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องไปนอนในโรงนะต้องเอาผ้าขาวคุมส่วนๆนะอืม ต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหความเห็นมากมายเลยนะยอมเชื่อไหมหรือไปวิ่งหาที่แก้กรรมให้แก้ไงดีวะสวยแนอีกสามเดือนตา ย, ยางานนี้ไม่รอดแน่ใช่ไหมเชื่อเข้าไปหมดเลยอืมอดีตเคยไปทํากรรมม า, มากๆแล้ น, นี่ต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้นะเชื่อไหม <c oughs> พระเจะาตากคตเรียกอะไร เกปุปปันตานุทิฏฐิอัปปันตานุทิฏฐิความเห็นที่ป่าลบขันเบื้องต้นและเบื้องปลายโสลาันไม่สนใจแล้ววางได้แล้วนนี่งเครื่องตรวจวัดอีกอย่างคืออะไรวัตโกโตลมงคลมงคลภายนอกของสำนักพรมเหล่าอื่นโสลบรันไม่ทําแล้วโดยความเป็นสาระอาตมาเดินบินาบาทไปอยู่ที่หนึ่งก็เห็นพระ ไปนั่งไหว้สารพระภูมิสารเจ้าที่ไปไหว้พรมไปแล้วเปลี่ยนสารณะแล้วนี่พระเองยังมีสารณะที่ผิดเลยนี่บางทีพระอาจจะยกมือว่าผมมั่นใจในอรัตนะตายเต็มที่เลยแต่การกระทำไปทำอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจไหมนี่ขาดความมั่นใจแล้วหรือศึกษานี่ศึกษาคำใคร ภิกษุในครั้งพุทธกาลเนี่ยดันไปศึกษาเดลฉานวิชาไปเรียนไปสอนไปศึกษาคำภีโลกายะตา่าโลกายะสนะผู้เจ้ารู้เรียกมาสอบนะเธอทําจริงหรือเปล่าทําจริงถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําพระศาสาคตเธอจะไปศึกษาคําของคนอื่นไหมเนี่เธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าโอ้โ ห, โ, หโดนว่าหนักเหมือนกันนะเนี่จะไล่ออกจากภิกษุเลยนะ ใช่ไหมลาอาบัตทุกกฎแก่พิสูจน์ที่ไปศึกษาคำของคนอนื่นสแสดงว่ายังไม่มั่นใจว่าพระตาถาคตเก่งพอให้สงสัยมีอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้ในกรในขอพูดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าน่าสนใจไปเรียนไปศึกษาสะหน่อยเถอะเดี๋ยวนี้พระก็วิ่งเรียนวิ่งศึกษากันไปเรียนนิติาศาสตร์ัทศาสตร์ไปเรียนโอ้โห อ, โโ อ, โโอโุจรุลหมดเลย นี่ถ้าในครั้งพิจารณาโดนอัดละนาวนะมันไปคนละเรื่องเลยเห็นไหมนั้นเวลาอาตามาเอาคำพระตถ า, าคตมาประกาศนีน่ใครทำไม่ตรงกับพระตถ า, าคตมันก็กระเทือนกันนะแต่ยากไหมไม่ยากหรอกก็แค่เปลี่ยนจบแล้ว อาตมาก็ทำผิดผิดถูกถูกมาสิบแปดปีมะก็โยนทิ้งไม่เป็นไรหมดมาแล้วสี่ปีเพิ่งมาเจอคำพศศระศาสดาแท้ๆเปียวๆก็เริ่มใหม่เลยเริ่มปฏิบัติใหม่อะไรของเก่าที่ถูกก็คงเอาไว้ที่ผิดก็โยนทิ้งไปไม่ เ, เป็นไรเชื่อมั่นในพศศระศาสดาไปเลยเดินตามพศศระศาสดามีเหตุมีผลนะปิดรูรั่วช่องโวข้อแย้งในใจของเรา ทำไมคำสาวกไม่ดียังไงคำใหม่ไม่ดียังไงทำไมต้องคำภาษาธรรมดาผู้ย่าเก่งขนาดไหนเชียวถึงบอกว่าต้องศึกษาแต่คำตถาคตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปศึกษาคำคนคนอื่นคุยมากเกินไปหรือเปล่าไม่มากเลยผู้ย้าบอกท่านเป็นสัพพัญญูท่านกำหนดสมาธิทุกทั้งในการพูดพูดตั้งแต่แตัดสั้ถึงบริสุิ์ผ่านคำไม่ขัดแย้งกันทำพูดเป็นอากาลิโกโอเก่งขนาดนี้ใช่ อิติปฎิหารเก่งอาไศนาปฏิหารเก่งเก่งทุกเรื่องอนุสาสนีปฏิหารเก่งด้วยยอมรับตรวจคำผู้เจ้ามาศึกษาคำผู้เจ้ามาสิบเจ็ดปีก็ยังไม่เจอเลยที่จะเจอคำขัดแย้งกันในคำพระตถาคตอยากเจอเหมือนกันแต่ยังไม่เจอใครเจอช่วยบอกด้วยนะยิ่งมีความมั่นใจในคำพระตถาคตมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ ขอให้เราได้ไปอ่านไปศึกษาเถอะและนําไปปฏิบัติขอปีเดียวหยิบหนังสือมาหยิบแต่พุทธวจนะศึกษาแต่พุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะแล้วหนังสืออื่นในโลกนี้จะจืดไปหมดเลยนะโยมจะไม่อยากอ่านหนังสือพุทธศาสนาของใครนอกจากคำตะตาคตความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับโยม ต้องไปทดลองซะก่อนมันเคยเกิดขึ้นแกนตอตมาแล้วและเคยเกิดขึ้นกับคนที่อตอมาแนะนำหลายหลายสิทคนเขาบอกเลยว่าแหมเสียเวลามานานรู้นี้อ่านคําพระตถาคตคําพระาศาสนาเสียต้องนานแล้วแปลกนะเราไปแย้งคําพระพุทธเจ้าทั้งทิกษุทิสุนีวาสกุวาสิกาไม่รู้เป็นอะไรแย้งคำพระพุทธเจ้า ถูกสอนมาตลอดโอ้คำระษาสดาสูงเกินใจเกินไม่ได้หรอกอย่าไปศึกษาต้องไปศึกษาคำสาวก่อนไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดกำหนดบทบรรพชาะเก่งสุดอธิบายเก่งสุดยกตัวอย่างเก่งสุดทั้งสามโลกโลกธาตุนี้ไม่มีใครเก่งเท่ า, าพระตถาคตอ้าแล้วเราไม่ศึกษาคาตถาคตจะไปศึกษาคาไก่ โยมจะตีก็ให้เก่งเนี่ยต้องไปเรียนเนีย่ยใครเรียนกับคนตัดหญ้าเหรอหรือจะไปเรียนกับไทเกอร์บู ด, ดีใช่ไหมอืมจะเข้าโรงพยาบาลจะไปหาหมอหรือไปหาพยาบาลหรือไปหาเสมียนในนั้นนะ่ะหรือไปหาพาลงคนเช็ดถูพื้นไม่ใช่ต้องไปหาหมอที่เก่งที่สุดใช่มไหมเราต้องเข้าไปหาผู้ที่เก่งที่สุดเลิศที่สุดที่พูดเอาไว้บัญญัติเอาไว้นะ นี่ต้องบอกย้ํากันหลายๆรอบเพราะมันโยนทิ้งของเก่ายากเหลือเกินเใช่ไหมพระก็โยนทิ้งของเก่ายากนะฆราวาสก็โยนยากอัตมาก็โยนยากเหมือนกันกว่าจะมาจะลงใจกับคำพุทธเจ้าอืมทำไมคำพุทธเจ้ามันดียังไงนาะก็จะหาเหตุผลเจอในสิทธิ์พระสูตรนี้ที่รวบรวมมาให้เรากว่าจะรวบรวมมาได้นี่หลายปีมันกันนะอืม นั้นช่วยไปอ่านด้วยนะแล้วเราจะรู้ว่าทำไมจะต้องเป็นคำพระตถาคตพระองค์ตรัสไว้เองนะต้องบอกอีกทีเดี๋ยวจะหาว่าตามาพูดเองลอยๆนั้นอวิโสมากก็จะขึ้นบาลีสมรัฐให้ด้วยมีที่อ้างอิงหมดจากพระโอษฐ์หน้าไหนจากบาลีสยมรัฐพระสูตรไหนข้อไหนหน้าไหนบอกให้หมดให้ทราบกดนะพระโสดาบันมีอะไรอีก นะในย่าที่ง่ายๆอีกยอย่างหนึ่งผู้ย่อถามภาษาลิบุตรใครกันใครกันคือโสดาบันภาษาริบุตรบอกว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรสมีองแปดมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันใครมีมรสมีองแปดประกอบพร้อมแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละโสดาบันใครมีอริยญาณธรรมคืออะไร เห็นสายปฏิจจสุวรรใครมีโสตาปยังคสัสสีคือเรื่องสายในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวันหว่นไหวมีศีลนั้นเป็นที่ลักของพระรอะรอยิยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ปล่อยใครมีศีลห้าคือพ้นภัยเวรห้าประการให้พยากรตนและตนนั่นแหละ ว, ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครพรยากรนะพยากรตนเองนะไม่มีใครพรยากรใครได้ นอกจากพระตาคตรพรเจ้าตรัสวไว้ในมิคาสะราสูตรเดี๋ยวนี้พยากรณ์กันเต็งไปหมดเลยนะมันพยากรณ์ได้จริงหรือเปล่าใครมันพูดจริงในโลกนี้ใครพูดจริงใครพูดได้ไม่พลาดพระตาคตองค์เดียวที่จะพยากรณ์อะไรได้ฟันธงและเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อผิดพลาดเราจึงไม่เห็นตัวอย่างสาวกในครั้งพุทธกาล เช่นภาษาลิบุตพระโมฆคลานะขนาพระโมคลลาน ะ, นาะาลานะเลือทางลิศก้าพยากรณอะไรไหมภาษาลิบุธพยากรณอะไรไหมพระอนุฤษทานเลิอดด้านทิพย์ักาครูพยากรอะไรไหมก็อะไรเพราะยานอย่างรู้ของเขามีขีดจำกัดยานอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดสาวกทูตเจ้าบอกถอยไปได้หมื่นชาติบ้างแสนชาติบ้างหนึ่งกับบ้างหนึ่งสงขายบ้างแต่พระตาคตไม่มีประมาณ ผู้เจ้าจะพยากรณ์ใครนี่ถอยดูเดิกเขาอย่างไม่มีประมาณแล้วถึงจะฟันธงไปเพราะนั้นคนฟันธงมีได้คนเดียวไม่ต้องไปหาหมอฟันธงที่ไหนนะพระตถาคตฟันธงได้องค์เดียวนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจัดไว้ในมิขสาลาสูตรบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั่นแหละ พวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลหรืออย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตหรือผู้ที่เก่งเท่าตถาคตเท่านั้นจึงพยากรบุคคลได้วัดสอบตัดสินบุคคลได้นอกนั้นไม่ต้องนะโยมไปสิทวัดก็มีแก้กรรมสิทแบบนะก็แก้กันไป เราแก้ตามความเห็นใครนาะใครเคยไปวิ่งแก้กรรมบ้างเนี่ยยกมือสิไม่มีเลยเหรอความบกพ้่องตัวเองผู้เจ้าบอกสัตบุรุษต้องแสดงนะสัตบุรุษความไม่ดีของตนเองต้องเปิดเผยไม่มีใครถามก็เปิดเผยถ้าใครถามขึ้นมาเนี่ยให้เปิดเผยให้หมดเลยให้รู้เธอว่าคนคนนั้นเป็นสัตบุรุษ แต่ความไม่ดีของคนอื่นไม่มีใครถามอย่าไปพูดถ้ามีใครถามให้เธอหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดนะไม่ใช่ถามความไม่ดีของคนนี้เนี่ยโอ้โหบอกหมดแม็กเลยนะไอคนนี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จระไนโอ้โหนะความไม่ดีของคนอื่นชอบบอกแต่ความไม่ดีของตัวเองเก็บไว้ก่อนนะความดีของตัวเอง เปิดเผยยังเลยความดีของตนคนอื่นไม่ค่อยเปิดนะความดีของตัวเองพระเจ้าบอกถ้าไม่มีใครถามก็อย่าไปบอกถ้าใครถามก็ช่วยหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดกระมิชกระมี้ยนหน่อยนะความดีตัวเองนะนะอือย่าบอกเขาหมดให้คนอื่นเขาช่วยพูดความดีของตัวเองนะให้รู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นสัตว์ดับหลุดลักษณะอย่างนี้ ่ะทราบไหมพระตถาคตบอกวิธีแก้กรรมไว้อย่างไรใครทราบช่วยยกมือหน่อยไม่ต้องบอกก็ได้ช่วยยกมือหน่อยว่าทราบพระตถาคตตัดวิธีแก้กรรมเอาไว้อย่างไรไม่มีเลยเหรอเอาสักข้อหนึ่งไม่ได้เหรออุบาสกอุบาสิกา ผู้ใดทราบว่าพระตถาคตตัดวิธีแก้กรรมว่าอย่างไรยกมือให้ชื่นใจหน่อยหนึ่งท่านผู้กล้ามีอีกไหมน ะ, ะทราบไม่รู้ทราบตรงกับที่อาตอมาจะบอกหรือเปล่าเนาะ พอกรซิบกรซิบได้ยินมาเนี่ยไกลขนาดเนี้ยถือสินห้าโอ้โหเขียดเฉียดได้ไปหน่อยหนึ่งฮะกรรมอะไรนะช่วยบอกต่อไหนได้ั้ยได้ยินในชั้นกรรม อ๋อพระพุทธเจ้าแก้กรรมกรรมอะไรใช่ไหมกรรมที่กรรมสิบหกหรือเปล่าเราก็มาดูอีกว่าอะไรคือกรรมมันมีหลายประเด็นกรรมสิบหกกรรมอะไรมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้มีชนกกรรมด้วยลองสแกนที่ชนกกรรมมีไหม อ่าสแกนให้ยมเห็นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้สิบวินาทีรู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมีพุทธวจนะตรัสไว้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดนะ <c oughs> ชนกกรรมอ่สแกนในบาลีสามรัดอ่าคอมพิวเตอร์ก็จะหาให้เราแล้วตั้งแต่วินัยปิดกสุตตันตปิดดกและอภิธรรมปิดดกสี่สิบห้าเล่มข้อมูลที่เก่าที่สุดนะ ในโลกไม่มีนะเพราะฉะนั้นที่โยมฟังมาชนกกรรมไม่มีเดี๋ยวมาฟังกรรมแบบของอาตมาบ้างอภิธรรมเหรออ้อใช่ใช่ ใ, ชในอภิธรรม <c oughs> ใช่แต่อภิธรรมเนี่ยแต่งขึ้นนะอภิธรรมแต่งขึ้นอภิธรรมในพระต ร, รีิอกนิษฐ์ เป็นลักษณะอย่างไรหนึ่งมาจัดมวลหมู่คำพระสถาคตจัดเองนะอธิบายคำพระตถาคตเพิ่มนะหรือว่ารวบรวมคำของสาวกขึ้นมานี่แต่เมื่อกี้อาตามาเอาคำพระศาสดาขึ้นมาพูดว่าอย่างไร สุดตันตะเราได้ที่นักกวีหรือคนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกองประเภทกราบกรอนเมียสอนสลัดสุลอยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่งิ้มหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมอาตมาจะบอกไม่ใช่คําอาตมานะอาตมากําลังเอาคําพระศสนาพุทมาบอกว่าคําที่คนแต่งขึ้นใหม่ อย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาอย่าไปฟังฟังคาพระาศาสดาก่อนใช่ัหมพระาศาสดาสั์ในเรื่องกรรมไว้อย่างไรกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอะไรคือกรรมน่ะถ้ะตาตถาคตจัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ควรรู้เจตนาคือตัวกรรมโยมเริ่มจาของใหม่ๆไว้เลย ใช่ใช่ไหมอ่านี่แหละคำพระาศาสดาถ้าโยมบอกอย่างนี้ตรงเป๊ะเลยตรงคำพระาศาสดาแล้วมาอาตมาต้องขออนุโมทนากับโยมไหเยี่ยมมากใช่ไอย่างที่สองเหตุเกิดของกรรมคืออะไรผสักษะเป็นเหตุเกิดของกรรมมิธานะสัมภาวะแห่งกรรมนะเาวมัตะตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรม กรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกับในแดนชานปริวิสัยมนุษ ย, ษย โ, โ, โลกเทวโลกพุท โ, โลกมีนะความดับของกรรมมีไหมมีความดับของกรรมมีเพราะความดับแห่งผลสัตว์นะวิบากของกรรมมีไหมวิบากของกรรมมีสามระดับวิบากในทีรร่จะทำวิบากในอุปาปัชชะอปาละปริยายะเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกมีสามระดับ และสุดท้ายวิธีดับกรรมตรงกับของโยมหรือเปล่าไม่รู้นะทูเจ้าบอกว่ากรรมมัดนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคืออะไรอริยมัสมีองแปดมัสมีองแปดคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมสินห้าเขาถูกอยู่หน่อยหนึ่งน ะ, ะมันต้องมัสมีองแปดเห็นไนหะ ตรงกันในใจเราบ้างไหมสำหรับคนที่ไม่กล้า ย, ยกมือเห็นัหมตรงั้มตรงเตะเลยไหมเตะเลยดีมากเยี่ยมเดียวมักมีองแปดคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลือแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าโยงมไปที่โน่นที่นี่ปุ๊บเขาบอกอ้าโยมมาแก้กรรมทำยังไงคะบอกโยม เจริญมรรคเมืองแปดสีอูสาธุตรงกับที่พระตาคตรตัดไว้เหมือนที่โยมอ่านมาเลยแ่เยี่ยมมากใช่ไหม <c oughs> มรรคแต่พูดยอ่อเป็นสามคือลารสินสมาธิปัญญาพูดยอ่อเหลือสองคือลายพระตาคต บ, บอกสมถะ ก, กับวิปัสสนาแค่นั้นง่ายๆนะถ้ายอมบอกอย่างนี้นี่แก้กรรมได้นะพิงบอกนะใครแก้กรรมได้จริงใครพูดจริง ถ้าโยอมไปอินเดียเขาก็บอกอะโยมลงไปในแม่น้ําคงคานะขึ้นมาแล้วกรรมหมดอะโยมไปบูชาไฟนะแล้วกรรมจะหมดเอาน้ำมาล่าตัวนะแล้วกรรมจะหมดนะไปนอนในโรงนะกรรมจะหมดเอาผ้าขาวมาคลุมกันนะแล้วกรรมจะหมดมันปัญหาว่าวิธีไหนมันตรงวิธีไหนมันจรงิงวิธีไหนมันแก้ได้ถูกต้องจรงิงจรงิงใช่ัหม พระศาสด า, าบอกว่าต้องเนี่สัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นอริยสัจเห็นเกิดดับสองสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุกสนเรื่อยๆทายช้อนบรรเทาทําให้ซึ่งสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุกสนวิจดอย่างที่สามน่ะสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคําหยาเพื่อเจอ้าสียเสียดนี่ดับกรรมต้องดับอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันต้องลงทุนนะ่ะโยมต้องลงทุนอะไรลงทุนฝึกวาจาตัวเองลงทุนฝึกกายตัวเองลงทุนฝึกจิตตัวเอง มันไม่มีใครอยากลงทุนนี่ปัญหามันคืออย่างนี้ก็เลยแก้กรรมกันไม่ได้สักทีก็เลยเวียนว่ายตายเกิดกันไปเป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างนรกบ้างนแดนฉานเป็นวิสัยบ้างสัมมาจันตาคืออะไรน่การงานที่ถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการถึงห้าสามข้อแรกนี้ไงสัมมาชีวะคืออะไรเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนอาชีพที่เบียดเบียนไม่ควรทํามีอะไรค้าน้าเมาค้ายาฟิตรค่้าเครื่องประหารค้าสัตว์มันเป็นอาหารค้ามนุษย์ ถ้าอย่างนี้อย่าไปทำใช่ไหมมีอะไรอีกสัมมาวายามะเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วให้ทําอย่างไรเหมือนกับสัมมาสังฆปาฏิไทถอนนะรีบไทถทอนรีบบรรเทาทําให้ซึ่งตืดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศล น, น, นั้นๆเอาออกไปอกุศลน่ะรีบเอาออกขนาดไหนพระตัถาคตบอกว่าเปรียบเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าของเธออยู่ หรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเธอโยมถ้าไฟไหม้เสื้อโยมโยมจะทําอย่างไรทอดออกทอดแบบช้าๆหรือทอดเร็วๆค่อยๆถอด ท, ทีละนิดทีหน่อยเลยโดยด่วนเลยใช่ไหมถูกต้องสาวกก็ตอบพระเจ้าว่าจะต้องรีบดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือไหม้ผมบนศรีรษะยังด่วนที่สุดเลยพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าอกุศลเกิดขึ้นในใจของเธอก็เช่นเดียวกันต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ั้มบางคนสอนอยังไงสอนบอกว่าอย่าไปดับเลยดูไปเรื่อยๆอ่าสอนขัดกับพระตถัฐาคตไหมขัดกันนี่เห็นัหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคำสอนในปัจจุบันมันก็มีสอนตรงกับตัฐาคตบ้างสอนไม่ตรงบ้างแล้วเอาคำไทยเป็นหลักหละเอาคาตราคต สอนขัดกับพระตถาคตเนี่ยเราจะเอาคําเราเป็นหลักได้ไหมพระตถาคตพูดผิดเ่พูดไม่ถูกหรอกเราพูดถูกกว่าปีนคําตถาคติอีกว่าคําของเราประเสริฐกว่ามันทําได้ไหมเนี่ยเราเป็นสาวกนะเราโบสถมาอุทิศเพื่อพระตถาคตนะใช่ไหมอ่าทำและ ว, วินัยเราไม่ได้เป็นคนบัญญัตินะใครกล่าวธรรมะแล้วบอกว่านี่เป็นธรรมะของตัวเองทูตยาบอกนี่ขโมยธรรมเป็นมหาโจรชั้นเลิอประเภทที่สองมหาจน มีห้าประเภทพวกที่ยากที่สุดคือประเภทที่ห้าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนพวกนี้เป็นมหาจนที่เลอที่สุดทั้งสามโลกเลยหลอกทั้งพรหมหลอกทั้งเทวดาหลอกทั้งมนุษย์เลยนะหลอกเ้าหมดเลยพระเจ้าจึงจัดเป็นมหาชนชั้นเลิศราะฉะนั้นเมื่ออกุศรเกิดขึ้นแล้วให้รีบทิ้งอย่างไวที่สุดสอดคล้องไม้กับพระสดอุอื่นๆนะอาตามาต้องยกพัสดุอื่นขึ้นมาด้วย เพราะโยมอาจจะใช้หลักมหาประเทศ4ี่กับอาตมาโอ้ยท่านพูดว่านี่คือคำภาษาศิาอย่าเพิ่งไปเชื่อท่านครึกฤทธิ์อาจจะทรงจา ม, มาผิดก็ได้นะะอาตมาก็ต้องใช้หลักมหาประเทศสี่คือเอาไปเทียบเคียงในหลักทาหลักวินัยหมดอื่นเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะยกมาให้สักสิบพระสูตรเป็นไงนะเพื่อความสอดรับกันทั้งหมดถ้าสอดรับกันทั้งหมดแล้วเนี่ยโยมมั่นใจเลยได้ว่า นี่คือคําของพระศาสดาตามหลักมหาประเทศสี่จริงมอ่าใช้หลักการของพระตถาก็ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไปดูเมื่ออุติเกิดขึ้นควรจะทิ้งหรือควรจะไม่ทิ้งนะสัมมาสังกัปปะผู้เจ้าให้ทิ้งใช่ไหมไปดูในสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะให้ทิ้งใช่ไหมใช่นะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแกพิสูจน์นั้น พิสูจน์นั้นดับไปได้รวดเร็วดุดุบกระพริบตาอุเบกหา ย, ยังคงเหลืออยู่เห็นไหมนั้นเรียกว่าเอินทรีย์เป่านาชันเลิศผู้เจ้าสอนให้อย่างไรสอนให้ทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจยังเร็วที่สุดเร็วขนาดไหนผู้เจ้าชมกระพริบตาเดียวหรือเหมือนบุรุษดีดนิ้วอ่ะนะหรือเหมือนหยดน้ําหยดลงในกระทะนอนๆฟ้าบหายไปนะนี่เป็นพุทธวจนะทั้งนั้นเลยนี่เอ๋อโสมมาขึ้นบาลีสามรัฐยืนยันที่อาตมาพูดไม่ได้เลื่อนลอยนะ กี่ขระสูตรแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะกี่ข้อสุดหนึ่งคืออะไรผู้เจ้าให้สํารวมอินทรีย์ผู้สํารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทใครไม่สํารวมอินทรีย์คือผู้ประมาทใช่ไหมคำว่าประมาทผู้เจ้าทิ้งทวนก่อนที่จะประเลนิพานไปแสดงว่าต้องเป็นคําที่สําคัญมากๆจริงไหมเราไปดูในขระสูตรที่ประมาทบุคคลผู้ประมาทคืออะไรผู้ไม่สํารวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือสํารวม สัรวมใจนั่นเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายกายยัตาสตินะกายยัตาสติผู้ย่อให้สัมรวมจิตอยู่กับกายอีกพระสูตรหนึ่งเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองฉั้นใดภิกษุจึงตั้งมโนวิจกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมันผู้มีบาปจะทําอันตรายไม่ได้เห็นไหมหกข้ะสูตรแล้วนะพระสูตรที่เจ็ดอะไรนะเปรียบเหมือนบุรุษ จับตัดหกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักมันมันคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขสิงจอกจับลิงนะผูกแล้วปล่อยมันไปมันก็ยือยุดฉุดกันไปในที่อยู่ที่อาศัยที่หากินของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขสิงจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่านะดึงกันไปดึงกันมาพอหมดแรงไอ้พวกนี้ ก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นนะกายยกตาสตินี้เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตเห็นไหมต้องอยังไงสํารวมินสี่ไม่ใช่ไหลาตามจิตไปเรื่อยๆฟุ้งตามไปเรื่อยๆไม่ใช่เห็นไหมกี่พสูตรแล้วเจ็ระสูตรเอาพสูตรที่ตายเป็นยังไงผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นใครเข้าไปหาจิต จิตหรือวิญญาณขันจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันผู้เจ้าบอกตัวเดียวกันมีสามชื่อสี่ชื่อคือวิชาณาติผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะวิญญาณที่เข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นวิญญาณที่ไม่เข้าไปหารม์จะหลุดพ้นเห็นไหมวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสกก็ถึงความเจริญ ง, งอกงามไปบุญได้ ท่านจัดอีกว่าวิญญาณที่เข้าไปถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปต้องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าไปถืออาศัยสัญญาสังขารได้หมดตัดไว้อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรเข้าไปตั้งอาศัยในกายแล้วทิ้งอารมณ์ที่เหลือให้เร็วดุจกระพริบตาเห็นไหมสอดรับกันไหมสอดรับกันเพราสุดที่ก้าเอาไหม อาสั น, น่อยก็ได้ยังไม่ถึงสิทนะเธอต้องยุบต้องไม่ก่อต้องคว่างทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองต้องทําให้ม่อนไม่ทําให้ลุกโปล่พระเสกขาเธอต้องทำอย่างไรเธอต้องยุบยุบซึ่งอะไรพระตาคตบอกว่ายุบซึ่งขันห้าขันห้ามันก่อตัวขึ้นมาแล้วเธอต้องยุบมันอย่าก่อมันขึ้นมานะเธอต้องคว้างทิ้งซึ่งอะไรซึ่งขันห้านะอย่าทําให้มันเป็นกองต้องคว้างทิ้งไม่ถือเอา เธอต้องทําให้กระจายกระจายซึ่งไหลกระจายซึ่งขันท่าไม่ทําให้เป็นกองเธอต้องทําให้มอดไม่ทํำลุกโลงทําให้มอดซึ่งไหลทําให้มอดซึ่งขัขนทําหน้าบอลต่อตัวกันจับตัวกันปั๊บเนี่วิญญาณก่อตัวกับอารมณ์เนี่ปับ๊บลุกโลงขึ้นมาแล้วต้องทําให้มันมอดลงไปเห็นไหมนะสอดคล้องกันอีกแล้ว <c oughs> นะยังมีอีกหลายพระสูตรมากเลยนี่ยกมาคร่าวๆ เพราะฉะนั้นอาตมาอาศัยหลักมหาประเทศ4ี่ยืนยันว่านี่เป็นพุทธวจนะแน่นอนถูกต้องไหมภายใต้หลักการนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัยคำใดก็ตาม <c oughs> เอาคำนั้นแหละไปเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยหมดอื่นถ้าเข้ากันได้ให้พึงลงสันนิษฐานถือว่านี้คือคำของพระศาสดาแน่นอนแล้วเพราะไม่มีใครในโลกทาคาพูดได้สอดรับกัน กันทั้งหมดมีพระสัสดารูปเดียวเท่านั้นตถาคตรูปเดียวในโลกนะรู้ความสามารถของพู้เจ้าตรงนี้หน่อยนะแล้วเราจะใช้หลักการนี้ใช้ไปได้ตลอดเพราะนั้นใครเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเอาโปรแกรมมาแจกไหมวันนี้นะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไปขอได้ที่วัดหรือโหลดได้ในเว็บไซต์เ w w ร์ไวริกมนะมข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารนณะ มีโปรแก ร, รมในการเช็ควัดสอบด้วยนะสิบวินาทีรู้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัยคำอะไรนะเราเคีย์คำนั้นเข้าไปเลยให้พวกลูกๆหลานๆเราเนี่ยที่เล่นคอมพิวเตอร์เป็นอาตมา ก, ก็เล่นไม่เป็นหรอกอาตมาต้องอาศัยพระรุ่นหลังๆที่เก่งคอมพิวเตอร์คีย์เข้าไปสแกนแฟบเจอแล้วสบายมากแฟบบเดียวตรวดได้แล้วพระศาสดาเคยจัดไวหรือเปล่าใช่างาย น, นิดเดียว ไม่ยาก <c oughs> สู้กันที่ข้อมูลหลักฐานอย่าไปสู้กันที่คนนี้มีชื่อเสียงคนนี้เกง่งนะคนนั้นดังไม่ต้องนะคนดังคนมีชื่อเสียงผิดพลาดได้หมดนะอัตมาก็ผิดพลาดได้ทุกคนผิดพลาดได้หมดในความเป็นสาวกนะไม่ใช่สัพพัญญูมีพระตถาคตองเดียวไม่มีข้อผิดพลาดนอกนั้นผิดพลาดได้หมดนะอืม จะเก่งขนาดไหนก็มีข้อผิดพลาดได้ก็ที่ยกมาภาษาลิบุตรยังผิดพลาดเลยนับภาษาอะไรกับอาตมานับภาษาอะไรกับสาวกยุคนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นความเลวที่มันคนคนหนึ่งมีข้อผิดพลาดเราเป็นสาวกใช่ไหมอืมเัม้นอย่าไปตำหนิตัวเองเรามาช่วยกันศึกษาคําพระศัสดาดีกว่าเข้าไปกอบโกยมหาคุมซัพย์อันนี้ ท่าพุทธทาสเข้าไปศึกษาแล้วได้มา114แงม่มุมท่านบอกท่านได้มา114แง่มุมนี่เขียนไว้นในอริสัต์ภาคปลายท่านได้อะไรบ้างท่านได้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาเช่นท่านบอกโอ้แต่ก่อนเราเคยคิดว่าศินภาพมี227มันไม่ใช่แล้วมันมีแค่150ข้อจากการศึกษาในพระบาลีเราก็เข้าใจสิคิดว่าพระรักษาสิน150ไม่ใช่พระรักษาสินเป็นพันพันข้อพระรักษาศินเท่าไหร่ สามกลุ่มนะบัญญัติกรระบบปฏิโมกปฏิโมกอภิสมาจารบัญญัติกรระบบปติโมกไม่มีข้อนะไม่ได้ระบุข้อไว้ปฏิโมกร้อยห้าสิบอภิสมาจารย์หลายพันข้อนะเต็มหมดเลยแต่ให้มาสูตรกี่ข้อสูตรร้อยห้าสิบอย่างนี้นี่ท่านผู้ช่างก็บอกไปส่วนเดาาินมาสมณะเจ้าบอกโอ้ร้อยห้าสิบเราเข้าไปเช็คเอ้มีใครเห็นด้วยอย่างนี้อีกบ้างเข้าไปเช็คในบาลีสยมรัฐอ่ะเจออีกแล้วนี่คือข้อมูลในบาลีสยมรัฐ นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะเป็นภาพรวมนะมาลีสามรัตน์คือกรอบแรกรองลงมาคือมหามมกุตรองลงมาคือมหาจุฬารองมาคือท่านดุจธาตเห็นไหมโค้ดไปดูใกล้ๆคําภาษาไทยมาลีสามรัตน์แปลว่าอะไรดูกรวิสุลัยสิขาบทร้อย้สิทวนนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุ ก, กึ่งเดือนนํามาสรวจทุ ก, กึ่งเดือนเห็นไหมไปดูบาลีนะภาษาบาลีเป็นยังไงนะ สารที่จม่ทังพันเตียยทสิขาปดาสตังอนวรมสังเดสังอ า, าตสติคำว่าดยทศิขาปดาสตังแปลว่าร้อยห้าสิบเหมือนกับเราเขียนคำว่ารอ อ, อยร อ, อยไม่ถูร้อยออาหาไม่ถูหนะ้าสอยหัสินะสาที่จไม่ทังก็คือทวนในสี่สำนักของประเทศไทยแปลว่าร้อยห้าสิบิขาบทท่วนนะพอดีนมาสรวทุกเดือนเห็นไห พราามาถามว่าพระรักษาสิ่งที่ครอพวกเราสองสองเจ็ดไปดูข้อมูลไปดูภาพรวมข้อมูลทั้งหมดที่อาจมาเช็คมาทั้งพระไตรปิฎกของภาษาไทยและของต่างประเทศทั่วโลกนี่คือภาพรวมทั้งหมดตักกะทั้งหมดใครต้องการรายละเอียด น, นะไปรับได้ที่วัดนะหรือเข้าไปในเว็บก็ได้วันนี้มีมาแจกไหมสิกาบท150วันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะแนะ่ นะไม่เป็นไรแจกอยู่ที่วัดตลอดเดี๋ยวจะเอาลงเข้าในเว็บแล้วให้พวกเราดึงข้อมูลไปในเว็บนะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะเป็นพระสูตรเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นไม่มีความมีนาตมาใส่เข้าไปเลยนะเรามาสร้างความชัดเจนในข้อมูลกันไม่ได้เอาชื่อเสียงมาพูดกัน นะราศีศาษาก็ได้ใครก็ได้ถ้าคุณเข้าไปศึกษาพุทธวจนะแล้วคุณคล่องแข่วในหลักพุทธวจนะคุณพูดมาทุกคนต้องเงียโสดลงฟังเพราะเขาคือผู้ที่คล่องแค่วในหลักพุทธวจนะคล่องแข่วในคําของพระตถาคตรตาะตักกาทั้งหมดนี้เป็นตากกาโดยพระตถาคตทั้งนั้นพระศาสดาบัญญัติเราไม่ได้เป็นคนบัญญัติทำบัญญัติวิ น, นัยนะข้อมูลนี้มีมาสองพันกว่าปีมีมาก่อนเราเกิด มีมาก่อนโทษของโทษของโทษของโทษของโทษของเราใช่ไหมช่วยเข้าไปศึกษาหน่อยนะนั้นเราทมาจึงบอกวันนี้มาเปิดโลกัะทัดกันใหม่นะอ่าเราจะได้เข้าใจว่าโอ้ยเราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เนี่มันต้องปฏิบัติตามใครอย่างไรและเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมแก่เฒ่าแล้วเนี่ยคนแก่ทย า, ายังไงอะโยม คิดถึงมาลุงไกรยุทธไหมมาลุงไกรยุทธถามพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้แก่ผู้เฒ่ า, ผ, าผ่านลาตรีมานานนะมีธรรมะสั้นๆไหมที่ข้าพระองค์เนี่ยจะพ้นทุกปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้ามาผลนิพพานได้พระเจ้าบอกมีมาลุงไกรยุตรเอาแค่นี้เลยนะเห็นอะไรเธอก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรมาสักแต่ว่ารู้ทําแค่นี้ตัวตนเธอจะไม่มี เมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโล ก, น, โลกนี้โลกหน้าโลกเนี่ะทั้งสินเอเสวันโตทุกข์สัตนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์สอนเหมือนพระพายาเลยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นพระพายาฟังรับเป็นพระหลานเลยนะใครอยากเป็นพระหลานในบรนดนหรือว่ารักตั้นตรงเร็วที่สุดเอาพุทธวจนะบทนี้ไปใช้กับตนเองเห็นมาสักแต่ว่าเห็นได้ยินมาสักแต่ว่าได้ยินเฉยตลอด เฉยนิ่งนั่งสมาธิก็โยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนอารมทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทำแค่นี้วิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัยเมื่อไม่วิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยรูปนามก็ปรากฏขึ้นไม่ได้วิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถตรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นั่นแหละคือที่สุดของทุกมีขั้นตัดแตกรตัดเอาไว้อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆพระองค์จึงบอกว่าให้เธอละนันทินั่นทีคืออะไรความเพลินง่ายๆเลยละนันทีละความเพลินพระองค์ตรัสอย่างไรนันทีกยาราคาขโยเพราะความสิ้นแปลงนันทีจึงมีความสิ้นแปลงราคะราคาขยานนันทีขโยเพราะความสิ้นแปลงราคาจึงมีความสิ้นแปลงนันทินันทีราคะขยานจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นแปลงนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุกพ้นแล้วด้วยดี <c oughs> แค่ละความเพลินจิตหลุกพ้นเลยง่ายไหมนะหลักการหลักการมันง่ายแต่ทำนั้นยากง่ายค่อยว่ากันอีกทีเหมือนหลักการที่ว่าโยมจะเดินหนึ่งแสนกิโลโยมจะเดินให้ถึงยังไงอาตมาก็บอกหลักการโยมโยมก้าวเท้าซ้ายและก้าวเท้าขวาจบแล้วน่ะ โยมทําภายใต้หลักการตรงนี้โยมก็ทํำก้าวขวาไปก้าวซ้ายไปก้าวขวาไปก้าวซ้ายไปเดินไปเดือนนึงยังไม่ถึงเลยโยมก็ถามว่าโหทําไมมันยากจังครับทําไมมันไม่ถึงทีไม่เป็นไรโยมก้าวซ้ายและก้าวขวาต่อไปโยมก็ก้าวไปก้าวไปแต่ระยะทางมันสั้นลงทุกขณะที่โยมก้าวถูกต้องไหมนั่นแหละอย่าไปสงสัยในคําพาัสสัตดาละนันทิจิตหลุกพ้น ละความเพลินไปบุคคลย่อมจ้องมองต่ออัตตาท่าของลูกเห็นไหมเวลามีลูกสวยๆก็มองไปนี่เพลินแล้วนี่เพลินเพลินเพินเพลมองไปเลยเห็นไหมอืมเราเห็นผู้หญิงสวยๆก็มองเพลินไปเรื่อยๆน่ะเดินไปตามห้างเจอซีดีพ่อๆเส้าหูฟังเลยมันก็ลากขาเราก้าวไปจ่ายเงินซื้อซีดีแผ่นนี้มาฟังสัหน่อยเห็นไหมดูสิมันลากหูเราดึงไปน่ะนะผู้ชอยจึงบอกไง พิสูุที่ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติตาจะฉุดพ well ิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาพิสูจไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอัดขยักขยงเห็นไหมจมูกจะฉุดเอาพิสษุไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอัดขยักขยงเห็นไหม เวลาเราเดินไปร้านอาหารเนี่ยจมูกเราก็สูดแล้วเฮ้ยร้านนี้กลิ่นเข้าท่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะข้าวมันไก่มันลากสองขาเราเดินเข้าไปหาร้านนั้นทันทีเลยเห็นไนหะมและอาตมาจะให้โยมถ่ายใครท่ายถูกมีถือว่าเสียนมากนะโยมว่าตาหูจมูก ลิ้นกายเอาแค่กายก่อนนะห้าอายตนะของกายนะห้าอายตนะของกายอายตนะไหนแรงที่สุดน้าโยมบอกเลยตาน่ยใครว่าตายกมือหน่อยยกมือให้ดูหน่อยทั้งสลายกมือหน่อยอตานะไม่ใช่ยายตา ไม่ใช่ตาใหญ่ลูกกระตานะใครว่าหูใครว่าหูแรงที่สุ ด, ไ ด, ส ไ, ไ, ดได้ยินเสียงแล้วโอ้โหทนไม่ได้เลยได้ยินเสียงแล้วสุดยอดเลยต้องไปหามันใครว่าหูอ่าสองสามสี่น้อยจังตาเยอะกว่าใครว่าจมูกฉันทนไม่ได้เลยกลิ่นเนี้ยแบบหสุดยอดเลยต้องไปหากลิ่นนี้หน่อยไม่มีจมูกไม่มี ใครว่าลิ้นนะสองสามสี่ห้านะใครว่ากายสัมผัสกายสัมผัส <c oughs> ได้สัมผัสแล้วสุดยอดเลยนะกายสัมผัสนยยกมือโอ้โหเยอะกว่าเพื่อนเลยแสดงว่าเราเห็นว่ากายสัมผัสนี่คือเป็นกิเลสทางกายที่แรงที่สุดใช่ไหม อ่าพวกตายอมไหมพวกลิ้นยอมไหมจมูกยอมไหมหาเหตุผลมาสู้ขเขาสิเอาเหตุผลอะไรมีเหตุผลไหมฮะตาเป็นสิ่งแรกที่มอง เ, เป็นงองเห็นเอาแล้วงี้คนไม่หลับตาทําไงอะ่ะตาเป็นใหญ่ในการรู้เหรอตาเป็นใหญ่ในการดูแล้วแสดงแรงกว่าลิ้น แรงกว่าหูมันพอๆพอกันนั่นแหละฮะมันมีจุดเริ่มต้ น, น, เ, ตนเอาล้วหูไม่เริ่มต้นหรอหูไม่เริ่มต้นบ้างเหรอถูกต้องกำลังว่าใครใหญ่สุดเอใครใหญ่ในที่นี้ใครใหญ่ ถูกต้องถูกต้องแต่ละคนเป็นใหญ่ในแต่ละคนถูกต้องโยมพูดมาถูกหมดเลยแต่จะมากำลังถามว่าใครแรงสุดอายตนะอะไรที่ลากคนอื่นไปได้หมดเลยตาใช่ไ้มอายโยมว่าอะไรตามาฟังพระเจ้าบังไหมละ่ะเอ ไม่เห็นมีใครอ้างคาพระศาสดาคาพระตถ า, าคตเลยถ้ายมบอกมาในอ้างพระศาสดาตัดอย่างนี้เอะพระพร ะ, ะ, ะ, ะออกมานี่โอ้โหเยี่ยมไายแน่มากใช่ไอ่ามันต้องอย่างงานพุทธบริษัทเราต้องอย่า ง, งานั้นยอมดูนะเวลายมชอบอะไรทางตาเนี่ยจมูกเอาด้วยไหมจมูกขอชอบด้วยบ้ะ ไม่หูขอชอบได้ไหมไม่ไม่เกี่ยวถ้าหูชอบนะหูฟังเสียงซีดีเพาะๆอาอยากด้วยมจมูกอยากด้วยมยอมซื้อซีดีแล้วยมเอาซีดีมาดมไหมหอมหอมหอมหอมใช่ไหมไม่ลิ้นด้วยไหมลิ้นขอ <c oughs> เลียซีด <c oughs> ไ <c oughs> ีไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยว แต่ยอมดูนะอะไรที่แปลกลิ้นนะแล้วเดี๋ยวจะให้เหตุผลของพระศาสดาอัจมายกเหตุผลให้ยอมสังเกตง่ายๆอย่างนเวลาลิ้นอยากเนี่ยนะลิ้นอยากกินขึ้นมาเนี่ยนะพ่วงคนอื่นหมดเลยนะเวลาตาเนี่ยไปเห็นรูปอาหารสวยๆน่ากินเนี่ย ลิ้นอยากด้วยไหมลิ้นไม่อยากเหรอจะมูดมกินอาหารหอมๆลากลิ้นไปไหมลากลิ้นไปแล้วปรับปรับปรับ ป, บปบเดินเข้าไปหาเลยนะหรือเห็นเมนู ส, สวยๆเอ้ยโอ้โหเข้าท่าเว้ยร้านนี้ดีกว่าชฉยไหมมีใครมาพูดโยมส้มตําร้านนี้มะนาวนี้เปรี้ยวจี๊ดเลยลิ้นนี่น้ำลายสอจี๊ดขึ้นมาเลยลิ้นขอด้วยอายุตนะอะไรชอบลิ้นขอด้วยหมดเลย เห็นไมเนี่สังเกตมไหมเคยสังเกตตัวเองไหมไม่เคยแต่ตัวเองมีไหมมีแต่พอบอกให้เพิ่งจะรู้ใช่ไหมเพิ่งจะรู้พระศาสดาพูดมาสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมกลับไปสังเกตตัวเองสิวันเนี้ใช่ไหมกลับไปบ้านเนี่ยเขาตําน้ําพริกกคกโปกๆๆอๆๆๆสงสัยน้ําพริกปลาทูเลยอร่อยหน้าเลยงานนี้นะหูได้ยินลิ้นเอาด้วยละ ใช่ไห ม, มลิ้นขอเอี่ยวด้วยทุกอานนะของกายหมดเลยผู้เจ้าจึงสัตว์ไว้ในเรื่องกับพลิการอาหารอาหารคือคำข้าวถ้าเธอละอาหารคือคำข้าวได้เธอจะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้อนาคามีบุคคลนั่นนี่สังโยชน์ชนิดที่เป็นเหตุให้เธอกลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีพิจารณา อาหารอย่างเดียวปล่อยวางเรื่องลิ้นอย่างเดียวเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลเห็นไะมอนาคามีบุคคลต้องวางอายนาะตาหูจมูกลิ้นกายได้ห้าอายนของกายคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรับรู้แล้วต้องวางอุเบกขาได้นี่อนาคามีวางธาตุดิ่ง น, น้ำไฟลมได้วางอายนาของกายได้แต่ยังวางเรื่องจิตไม่ได้นะ อนาคามีนี่เห็นเฉียดเฉดกับพระหรหลานเนี่ยโสดาสกีทาคาอนาคาละพระหลานนี่แต่กิเลสกันถ่างกันคะครึ่งเลยนะอนาคามีละอะไรละสังโยชนห้าเบื้องต่ํสาสากยัญที่สี่วิจิตรฉาสิลุปตะปลามาตกามร า, าคะภัยบาศหรือปฏิฆา阿拉หันนี่อีกห้าเลยนะลูกบราคะอลูกบราคะมานาอุสจักกูจักวิชาอีกห้อีกครึ่งหนึ่งเลยเหลือกิเลสอีกครึ่งหนึ่งที่อ阿拉ตมักจะต้องละอนาคามีละได้ครึ่งเดียว ในส่วนของลูกกายเห็นไหมนี่เวลาศึกษาพุทธวจนะแล้วสังเกตแง่มุมให้ดีนะอาจะมาักล้ๆยังงงเฮ้ยมันจะเก่งขนาด น, นั้นเช่หรือพิณาหานะโอ้โหผู้ชจ้าพูดปั๊บปั๊บปั c, ป, c, ป, c, ป, c, ป c. ด้วยเหตุด้วยผลที่พระองค์ตัดไว้แล้วแย้งไม่ออกเลยเออใช่แล้วเราเริ่มมาหาตั ก, กะเริ่มมาสังเกตตัวเองเฮ้ยลิ้นมั น, ม, นมันเก่งขนาด น, นั้นอ๋อ ถ้า ห, หูอยากลิ้นขอด้วยจมูกอยากลิ้นขอด้วยตาอยากลิ้นขออยากด้วยนะขอเอี่ยวด้วยหมดเลยลิ้นอ๋อคุณเก่งอย่างนี้เองนายแน่อย่างนี้เองลิ้นนะนั้นผู้เจ้าคุมลิ้นอย่างเดียวคุมกับพลิตการอาหารอาหารคือคําข้าวจบเลยเอาไปเลยอนาคามีนี่เห็นไหมศึกษาคําพระศาสดาแล้วมันชัดเจน สิคนพูดสิบแบบร้อยคนในสลาพูดร้อยแบบไม่มีใครอ้างคําพระศาสดาอาตมายกคําพระศาสดามาให้พระสูตรมีครบพร้อมดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อกับพระรีกาลาหารอันอริยะสาวกกําหนดรู้ได้แล้วราค่าที่มีเบญจกรรมคุณเป็นแดนเกิดราค่าสิ่ความพอใจที่มีเบญจกรรมคุณคือกรรมคุณภห้าตาหูจมูกลิ้นายเป็นแดแานเกิดนะจอมเป็นสิ่งที่อริยะสาวกนั้นกําหนดรู้ได้แล้วด้วย เมื่อราคาที่มีเป็นจากกรมคุลเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีนี่พระศาสดาตรัสไว้ชัวไหมบาลีสามรัตไม่ใช่อัตมาพูดพระตถาคตจัดนะนั้นยืนยันทุกอย่างยืนยันโดยคาพระศาสดาเห็นไหม โยงเข้าไปเปิดซะเข้าไปเปิดซะนี่สี่สิกว่านยาโสดาบันเข้าไปเปิดซะพุทธวจนะลงทุนหน่อยนะลงทุนแร ง, งลงแรงอ่านนะไม่ต้องลงทุนซื้อมารับฟรีที่อาตมาได้นะ่ะพิมพแจกแหลกอยู่ตลอดนี่อยากให้โยมมีคำพระสาสดานในมือรล้วเอนอยากให้มีอยู่ในบ้านของเรือนทุกๆคนนี่ หนังสือผิดๆนี่มันกระจายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่หนังสือที่ถูกต้องข้อมูลถูกต้องนี่มันหาไม่เก็ได้ในโลกธาตุนี้แปลกไหมอาตมาก็ปั๊มแหลกเลยพิมพ์หนังสือแหลกเลยสองล็อตนี้หมดไปสองล้านกว่าบาทแล้วนะไม่เป็นไรเจ้าภาพเราเยอะนะอืมสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาลูกหนังสือที่ดีๆถูกต้องต้องสู้หนังสือที่มีข้อมูลผิดได้ช่วยกันนะ นั้นคนที่มีศรัทธาในพระธรราคนก็เอ้าพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ช่วยกันพิมพ์เราต้องให้ศักยภาพกับคนให้คนรู้ข้อมูลรู้ข้อมูลตรงข้อมูลจริงข้อมูลใครตรงจริงข้อมูลพระศาสดาที่พระศาสดาตัดเอาไว้เห็นหมเพราะนั้นช่วยกันกระจายคํามพระพุทธเจ้าไปใครอยากพิมพ์เอาไปพิมพ์ได้เลยเอาไปซีดีต้นฉบับเอาไปเอาไปเไปใครมีโรงพิมพ์ใครเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เอาไปพิมพ์เลยนะแจกฟรีไม่มีลิขสิทธิ์สบายมาก เชื่อกันขยายคําพระตถ า, าคตออกไปใช่ไหมมันต้องอย่างนี้พุทธบริษัทศึกษาคําพระศาสดาปฏิบัติตามคําพระศาสดาเผยแพร่คาพระศาสดาออกไปเหมือนกับพระอาหารหันต์หกสิตลูปแพร่ที่เขานําคําพระตรฐาคตไปประกาศเมื่อเขาเดินทางไปถึงทวีตนั้นทวีตนี้เขาไม่ได้บอกว่าอืเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้แต่พระตถ า, าคตเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นสัพพันญอยู่เป็นสัมมาสัมพุทธะ ได้จัดไว้อย่างนี้ตัดอริสัตยสีอย่างนี้ตัดอริยมรรคมนองค์แปเป็นอย่างนี้จัดความป้นทุกข์อย่างนี้เห็นไหมเอาคําพระศาสนาก็ปี้ดีก็ปีใป้ให้เหมือนอย่าผิดอย่าพลาดนะนั้นถ้าเรา copy ผิดพลาดในสองพันกว่าปีเละเลยนะนี่โชคดีไหมเรามีสาวกที่ทรงจําทํำวินัยได้แม่นยำํำพระบาลีไม่เคยพลาดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดบาลีเนี่ยสวดต่อไปสวดต่อไปนะอย่าท้อใจแต่ช่วยแปลด้วยนะ ไม่งั้นบอกว่าปานาติ ป, า, า, ปาตาเวรมณีก็ฆ่าตลอดเลยฆ่ามันทุกวันท่องก็ท่องอยู่แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมนั่นเราต้องท่องได้ด้วยแปลได้ด้วยนะแปลได้เพื่อเอาไปปฏิบัติเองให้ถูกต้องอย่างที่พระศา ส, สนาสอนแต่รู้คําบาลีเพื่อทรงจําคําพระตถามคดไว้ไม่ให้คําพระตถามคดนั้นเสื่อมสูญไปจากโลก เข้าใจไหมนี่หลักการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสวดมนต์ทุกวันเนี่ยให้รู้ด้วยว่าสวดมนต์ไปทําอะไรนะบทไหนสวดได้แล้วไม่ต้องไปสวดซ้ําๆสวดบทต่อไปสวดบทต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆต้องกระจายช่วยกันจําเอานี่จํานี่นี่จํานี่นี่จํำนี่ช่วยกันจำำําคําพระสัจดาต่อออกไปเพราะคำพระศาสดาต่อไปอีกหลายหลายพันปี ไม่ใช่มาจบแค่เราเนะอืมต้องช่วยกันทรงจำอาตมาจึงบอกว่าอ่ะใครใข่สวดบทอะไรสวดไปเลยสวดเต็มที่อาตมาสวดอะไรสวดสายปฏิจจะสวดกฎอิทัปปัยะตาสวดการละนันทินะสวดมรรคมีองค์แปดนะสวดพขาสวดผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลืดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลืดพ้นนะอ่า สวดเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคลางทิ้งย่อมไม่ถือเอานะสวดการสํารวมินรีสวดนั่นสวดนี่สวดพระสูตวดลายที่ดีๆเ ด, ด็ดๆนะสวดทรงจำเอาไว้แล้วเวลาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิหยิบคำพระสัจธารมมาไขาควรนี่แหละสิบสองขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมนะคนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยยมบอกโอ๊ตผมไม่รู้อะไรเลยครับว่างเลยหัวว่างเลยทํายังไงถึงจะรู้ได้ไม่ยาก หึงมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เลงียโสงบลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้พวกเราฟาดมาหกขั้นตอนแล้วเห็นไหมมีศรัทธาแล้วเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เลงียบสงบลงฟังซึ่งธรรมแล้วห้าขั้นตอนแล้วนะใครทรงจําได้อ่านไปหกใครควรพิณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายคนต่อการเพ่งพิสูจน์ชันท่าย่อมเกิดขึ้น ผู้มีชันทารแล้วจะมีอุษาหะผู้มีอุษ า, าแล้วย่อมพิณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือสิบสองขั้นตอนของคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้ ว, ลวจะรู้สะจะทำได้อย่างไรพระเจ้ถาคตตัดไว้แล้วซึ่งไม่ใช่ง่ายนะโยมมาวัดนี้มาแล้วเออดีดูซ่าประหลาดพังดูของเก่าแล้วก็กลับไปได้ประโยชน์ไหมไม่ได้มาแล้วอามาถวายทานเสร็จแล้วกลับรับพรไปสบายจใจนะได้ไรไหม ได้หน่อยหนึ่งเรื่องทานแต่ได้ปัญญาอะไรไหมยังไม่ได้ใช่มมามานั่งคุยกับพระจริงแต่คุยเรื่องโลกอีกเอาเรื่องตัวเองมาคุยให้พระฟังนะระบายทุกข์สบายใจกลับไปแล้วได้ปัญญาไหมไม่ได้ไม่ฟังพระสักคำหนึ่งทาง่านก็อืมอืมอืมอืมโยมสบายใจแล้วกลับใช่ไหมไม่ไม่ถามธรรมพะพระสักคำเลย ใชหแล้วถ้าจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้ไหมเนี่ยนะจะบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยที่เธอสงสัยให้คลายลงไปได้ไหมนะจะทําข้อความเล็กให้ตื้นได้ไหมทําไม่ได้โยไม่ถามะพเข้จาจึงบอกว่าเมื่อเข้าไปพบภิกษุที่คล่องเข้าในหลักผูทธมณจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงแม่บททรงมาติกาเธอทุองไปซักไซไล่เลียงสอบถามนะว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใน เข้าไปถามธารมาให้มากๆเสียดายไม่มีไม่โนะยมจะได้ถามกันแต่วันนี้ก็ดีนี่มีมากี่คำถามนี่โยมกี่ร้อยถามมาหนึ่งสองสามสี่คำถาม <c oughs> อ่าคำถามที่ห้ามาได้เลยนะใครมีคำถามอีกเอามาได้เลยนะเ <c oughs> ปะน็นรุนถามเยอะๆนะอาตจจมามาตอบให้แล้วนะ และมีหลักฐานให้เราเอาไปตรวจสอบได้ด้วยไม่ต้องคอยพึ่งอาตมายอย่างเดียวพึ่งธรรมะพึ่งธรรมะนะอาตมายอยู่เป็นที่พึ่งให้เราได้ไม่นานไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมทุกคนต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมเหมือนกับที่พระตถาคตได้ตรัสไว้อานนท์ในการบัด น, น, น, นี้ก็ดีในในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารนะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีทมเป็นประทีปมีทมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่นะพึ่งตนและพึ่งธรรมะอย่ามัวพึ่งคนนั้นคนนี้นะไม่ได้กินแน่นะมัวรอเขาก็เรียบร้อยนะป่าลดความเพียรเลยเดินโยกมนั่งสมาธิอ่านเลยศึกษาพุทธวจนะอธมาความรู้ศูนย์มเหมือนกระยมนั่นแหละ นะไม่รู้เรื่องอะไรนะอ่านมันไปไม่เป็นไรแบบแรกแรก็ไม่รู้เรื่องอ่านไปอ่านไปไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปเลยอ่านไปอ่านเฉพาะที่รู้เรื่องมีหลักการอ่านอย่างนี้ก็ในนี้มีทั้งเรื่องง่ายเรื่องยากระดับโลกูจระเหมือนคณิตศาสตร์ก็มีทั้งบวกลบคูณหารสมการสองชั้นสามชั้นดดฟอินดิเกตแคนคูลัสบาบออะไรกันนี่มีครบหมดเลยใช่ไหม นี่คือธรรมคือวินยัยคือความรู้ของพระศาสดาทั้งหมดภูมิความรู้อาหาภูมิทรัพย์อยู่ในนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันไปโกยนะกอบโกยมาเท่าที่ภูมิปัญญาและความสามารถของเราจะมีได้และเมื่อเราทุกคนมาถกกันในคําพระศาสดาผู้เจ้าจึงบอกว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดอัตามาก็อาจจะได้หน่อยหนึ่งอวุโสมากได้อีกหน่อยหนึ่งไม่ได้หน่อยหนึ่งก็มาผสมกัน ยมได้มาหน่อยหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอาตมาหรืออาจจะเหมือนกับอาตมาในบางเรื่อง <c oughs> เรามาผสมกันแล้วก็จะทำให้คำพระสราสจะนั้นเกิดความกระจายขึ้นอตาตมาแนะนำญาติโยมไปหลายคนเขาเริ่มไปศึกษาผู้ทวจระนะศึกษาสื่สารเรื่อยๆต่อไปพวกนี้นี่มาถามอตาตมาเนี่ยถามธรรมาตามาอตาตมาละเลยไม่ได้เลย คำถามของเขานี่แยบคายคมมากเอาคำามผู้เจ้ามาถามอาตมายางที่ ด, ดูอะอาตมาพลาดนิดเดียวจบเลยนะอนาวาจะตอบไม่ได้ใช่ไหมอันาวาต้องตั้งใจฟังเขาถามให้ดีวะเฮ้ยเขาถามอะไรคำถามละเอียดมากนะแล้วจะมีคําบางคําถามที่อาตมา ก, ก็ไม่รู้คําตอบต้องพิจารณาเดี๋ยวนั้นก็มีซึ่งส่วนใหญ่คําถามนี้โอ้โหถามมาตอบลืดถามมาตอบลืด แต่ถ้าคำถามของคนที่ศึกษาพุทธวจะนะมาแล้วถามมาต้องอพิจารณานิดหนึ่งแล้วค่อยตอบไปโยมจะรู้เลยว่าคำถามของคนที่ศึกษาพุทธวจะนะแล้วไม่ธรรมดานะละเอียดขึ้นอีกระดับหนึ่ง <c oughs> นะอืมอ่นน่ทีนี้เราก็ทราบแล้วนะว่าคาของใครควรฟัง นะคำของใครควรฟังและมักคิธีที่ง่ายเป็นอย่างไรลัานทีตั้งไว้ซึ่งกายรักษาสตินะสักแต่ว่ารู้นะมีอีกเยอะกําลังจะทำหนังสือมักคิธีที่ง่ายจะเสร็จภายในไม่กี่วันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีโอกาสก็มารับแจกได้นะ และเป้าหมายโสดาบันต้องเอาให้ได้ในชีวิตนี้นะมีคุณสมบัติอย่างไรบอกหมดแล้วนะ <c oughs> หรือแถมหน่อยคุณสมบัติโสดาบันมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้โสดาบันแล้วหรือว่าทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดลบรมานอันยิง่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าทรรมานุสาลรีพวกนี้คือโสดาปฏิมา ทายได้ตัวนี้แล้วผู้เจ้าบอกจิตเขาเข้าสู่ส ม, มัาตาณิยามคือระบบแห่งความถูกต้องก้าวลงพ้นปุฎิชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกนในเดชนหรือเปรดวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลก่อนตายคนคนนี้ได้โสดาปฏิผลแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปแยงคําพระตถาคตกระโดดเข้าไปศึกษาเลยเข้าไปกราบเข้าไปเฝ้าเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า สงสัยอะไรเข้าไปกราบพระสถาพดเปิดคำพระศาสดาออกอ่านอ่านอ่านไม่จําเป็นว่าคำถามที่มีข้อสงสัยในใจของเราจะต้องเจอในวันนั้นอาทิตย์นั้นเดือนนั้นหรือปีนั้นบางทีอาตมามีข้อสงสัยผ่านไปหกเดือนเพิ่งมาเจออ๋อพระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ตรงนี้อ่ะจบหมดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาบอกญาติโยมเนี่ยมาอธาาิบายกันวันเนี้ย ไม่ใช่อัตมาเจอไหลลื่นเลยนะไม่ใช่เดือนสองเดือนเจอแง่หนึ่งปีสองปีเจออีกแง่หนึ่งนะวันสองวันเจออีกแง่หนึ่งโอโ้โหมันเป็นการสะสมมาเป็นเวลาสิปีเหมือนกันนะและถ้าพวกเราสละเวลาสิบปีรับรองว่าเลยอัตมาด้วยนะแต่อย่าลืมเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากด้วย <c oughs> <c oughs> และวันทั้งวันต้องเดินนั่งมากกว่าศึกษามากอย่างไรพระตถาคตตัดอย่างนี้ชาคาลิยานุโยคหลังฉันแล้วเนี่ยให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งลาตรียามสองให้นอนยามสามให้ตื่นนะ <c oughs> แล้วเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้าเห็นไหม เพราะฉะนั้นเหลือเวลาศึกษาเนี่ยนะหลังจากออกบิณฑบาตครบชั้นทำกิจข้อวันรไรแล้วเหลือเวลาศึกษาแค่สองสามชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหยิบเรื่องโตมานี่ไม่ให้ยมไม่ใช่ว่าอูโยมต้องไปศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายนะนะไม่ใช่ให้ไปศึกษาเยอะแยะมากมายพเจ้าตาโคตร บ, บอกว่ารู้ธรรมะของท่านเพียงบทเดียวแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นผู้หูสูตรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน เหลือเฟือแล้วรู้อย่างเดียวเช่นละนันทิจิตหรือพ้นได้แล้วยอมจําไว้เลยมาเทศมาฟังเทศอาจารย์ชลิดวันนี้จําอย่างเดียวละนันทิรู้ลมหายใจเข้าไว้จําแค่นี้จบเป็นพันธ์ได้แล้วเป็นโสดาบันได้แล้วนะตกเย็นนั่งรู้ลมหายใจเลยรู้ลมเข้าไว้รู้ลมเข้าไว้ผู้เจ้าสั่งอย่าลืมลมภิกษุทั้งหลายเธอจองเป็นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในอะไรลมหายใจสั่งอย่างเดียวง่ายๆอย่าลืมลม นั่งสมาธิสิลายก็ลืมไปคิดอดีตลืมไปคิดอนาคตลืมไปสุขไปหาสุขหาทุกพอใจไม่พอใจทุกทีเลยขณะยมคิดอดีตยมลืมลมแล้วเห็นไหมคิดเพลินไปห้านาทีสินี้อุ่ยกลับมาลงหายใจเห็นไหมหายแล้วบางคนหายไปชั่วโมงหายไปครึ่งชั่วโมงลืมลมทั้งนั้นผู้เจ้าสั่งง่ายๆเลยอย่าลืมลมยังทํากันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจําของผู้เจ้าง่ายๆสั้นๆ แต่อาตมามาชี้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นส่วนใครจะอ่านได้มากได้น้องได้น้อยเรื่องของคนคนนั้นเรื่องของความสามารถกิตใีบา ร, รมีของแต่ละบุคคลใครมีศรัทธาขนาดไหนใครมีวิริยะความเพียรขนาดไหนทําไปสิความเพียรพระเจ้าให้ใช้ขนาดไหนนะถ้าโยมยังอ่านนี่ไม่จบนี่นะไม่ยอมไม่ยอมขนาดไหนนี่พระเจ้าบอกว่า ถ้าจะอธิษฐานกันแล้วให้อธิษฐานอย่างนี้หนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อแลเลือดในสลีละจักเผือแห่งไปก็ตามทีประโยชน์ใจอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนี่ตั้งจิตอธิษฐานความเพียรให้ตั้งอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้ายมทําได้อย่างนี้สุดยอดและมรรคนิพพานเป็นที่อันพวกเราทั้งหลายหวังได้แน่นอน นะไม่พลาดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วโซดาทำอย่างไรจะหลุดพ้นเดินมักวิธีอย่างไรนี่ยกมาให้สองสามวิธีจริงๆมีอีกหลายวิธีกำลังรวมมักวิธีที่ง่ายไว้หลังจากหนังสือออกแล้วรีบหาอ่านกันซะแล้วโยมจะได้มีคู่มือมักวิธีที่ง่ายอยู่ในมือวิธีที่ง่ายสังเกตยอย่างไรหนึ่งผู้เจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยนะ บอกเองว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรดผลบอกไว้กับคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนชราใกล้จะตายนะนี่คือลักษณะมรรควิธีที่ง่ายหรือบอกอันนี้สงไม่มากนะเช่นบอกไว้กับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายคืออะไรเช่นห้าวิธีถ้าคนเจ็บป่วยไข้ทุกบุรภาพรายใดไม่ห่างจากห้าวิธีนี้ผลที่เขาวังได้สองอย่างในทิฏฐธรรมคือพระอารหันต หรือพระอนาคามีคื อ, อไล่เช่นหนึ่งพิาความไม่งามของกายสองพิลาความเป็นปฏิกูลของอาหารสามวางความพอใจในโลกทั้งปวงสี่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายห้ามีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดำในภายในนี่ห้าอย่างใครไม่ห่างจากห้าวิธีนี้ในชีวิตโยมได้พระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีแน่นอนนะเห็นไหมว่าความชัดเจนพระตถาคตบอกไปหมดแล้ว ทำทำทำปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นมาวัดแล้วอย่าสูญเปล่าอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินเมื่อยไปนั่งนั่งเมื่อยไปเดินเดินนั่งเมื่อยหยิบหนังสือมาอา่านหนังสือนั้นคืออะไรพุทธวจนะอ่านไปอ่านไปลักษณะของพุทธวจนะจะขึ้นต้นด้วยวลีคําพูดว่า ดูก่อนพิสุนไลดูก่อนอนุน์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคลานะดูก่อนข้าดีดูก่อนมานุอย่างนี้เป็นต้นนะคําพวกนี้คือคําพระตถาคตนะอ่ะต่อไปจะตอบคาถามให้พวกเราถามพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอย่างไรครับวงเล็บวิธีการเดินจงกรมแบบพระพุทธเจ้ามีไหมครับครูเจ้าไม่ได้บอกอะไรก็เดินปกตินี่ บอกเดินน่ะเดินการเข้าไปการถอยกลับการเหลวดูการเหลดูการคูกการเหยียดการหยิบปาดกิวอนสังคติการดื่มการเคี้ยวกันลิ้มการลิ้มการอุจจาะปัสสวะก็คือทําอะไรทําตามปกติของเรานี่แหละที่ทํามันอยู่นี่แต่มีสติอยู่กับปัจจุบันหน้าขนาดนั้นที่เราทําอะไรอยู่ใช่ไหมทางเดินสั้นๆยงเดินเร็วเดี๋ยวมันเวียนหัวก็เดินช้าๆเอาถ้าทางเดินจงกรมเรายาวก็เดินเร็วได้ ถ้าเราง่วงก็เดินเร็วแก้งง่วงเท่าน่อยนะแล้วแต่นะมือจะทํายังไงก็ไม่ได้บอกนะโยมจะประสานมือก็ได้จะเดินแกวงแขนก็ได้โยมจะเดินควายหลังก็ได้ตามสะดวกโยมเดินประสานมือลองเดินสักข้าชั่วโมงหกชั่วโมงไหมแล้วยอมจะหายสงสัยนะเนื้อออกเต็มมือไหลยอ่อนะแขนยอ่อแล้วโยมจะต้อง แล้วยอจะเกิดปัญญาเองว่าการเดินยองกลมเดินยังไงก็ได้ให้สบายที่สุดเพื่อที่จะให้เดินได้ น, นานที่สุดใช่ไหมหลักการยอจะรู้เองสงสัยทาเลยทาเลยนะเดินแบบไหนดีที่สุดเดินมนันนานๆหกชั่มงเจ็ดชั่วโมงสี ช, งชั่วโมงเดินแล้วจะหายสงสัยเองนะแล้วจะรู้วิธีเดินที่เหมาะสมกับตัวเองใช่ไมนักปฏิบัติทาเลยอย่ามวัวสงสัยอยู่ทาเลย นะแล้วก็ไม่มีที่พุทเจ้ามาสอนยกยกล่องย่อ ง, ย, องย่างย่างเย็บเย็ย บ, ยยบอะไรนะอ่ะถาถะปะทะพระตถาคตบอกอาภิกษุทั้งหลายคือยกนะ ย, ย่องนะนะย่างเยื้องช้ำเรืองเดินนะะอะไรอย่างนี้ก็อา้าวงั้นเราทํากันเลยทําตามพระตถาคตใช่ไหมอย่างนี้นะส่วนใครคิดวิธีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยแก้ไปค่อยเปลี่ยนไปค่อยปรับมาเข้ามาหา คำของพระศาสดา <c oughs> หรือนั่งนั่งยังไงนะนั่งยังไงก็ได้นั่งแบบอาุโสม้าก็ได้นั่งแบบพวกเราก็ได้พับเพียบก็ได้นั่งขาสมาธิก็ได้แต่ถ้านั่งที่มาตรฐานผู้เจ้าบอกอยังไงภิกษุไปสู่ป่าสู่คนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติมัน่นแค่นี้ ไม่ได้บอกมือเอาไว้ยังไงมือยังจะทงงนะจะํายังไงก็ได้นะจะวางยังไงก็ได้มือตามสะดวกแต่คู่ขาเข้ามาโดยรอบคู่เข้ามาโดยรอบแล้วซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายหรือต้องมานั่งขัดนะไม่ได้บอกนะแค่นั้นเองใครสะดวกยังไงก็ได้นอนยังได้เลยอะ่ะพิสูจ์แม่นอนอยู่แต่ถ้าเธอทิ้งความคิดอกุศลคือการปรฏิบัติเปีเป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าพิสูจนั้นทำความเพียนอยู่ตลอดเวลา ก็ขนาดนอนยังได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกันไอ้อิริยบทกระจุก๊กระชิกัะไปสนใจอะไรนะนอนเอกเนกยังได้เลยใช่ไหมอ่าแต่นอนน้ําใจเขาปลาลบความเพียรใจเขาทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมนี่คือผู้นั้นเนี่ยทําความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาและที่ใดก็ตามที่โยมนั่ง น, นอนยืนเดิน แล้วทำอย่างนี้จเจริญชันหนึ่งสองสามสี่หรือทิ้งความคิดอรุศลนพระตถาคตเรียกที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินนั้นว่าที่ยืนเดินด น, นั่งนอนอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นอยากจะให้บ้านเราเป็นทิพย์อยากจะให้สถานที่ใดเป็นทิพย์นั่งสมาธินาที่นั้นเดินจงกรมนาที่นั้นนอนสมาธินาที่นั้นยืนสมาธินาที่นั้นนะเหมือนอย่างที่พระตถาคตบอก สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิ์นันไม่ยากทำตามพระตถาคตแค่นั้นง่ยายเห็นไห ม, มใช้คำพระสดาจแล้วมันตอบโจทย์ในทุกเรื่องน่ <c oughs> อ, อก า, าทอธิบายเรื่องมรตมีองปด ที่ฉันยังไม่ได้อธิบายอีกสองมัดมีสัมมาสติกับสัมมาสมาธิด้วยเจ้าค่ะอืออสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสตินี่คืออะไรก็คือพระเจ้าจะสอนสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คือการระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมระลึกได้กลับมาที่ไหนที่กายระลึกได้กลับมาที่ไหนที่เวทนาระลึกได้กลับมาที่ไหนที่จิตที่ธรรม ต่างกันอย่างไรามาดูกาย <c oughs> มาดูกายแ ล, ล้วรู้ได้จับมันที่กายคืออะไรเช่นลมหายใจเข้าออกสองการเคลื่อนไหวรีบตุตรสามการรู้ว่ายืนเดินนั่งนอนสี่จิตนิสฐานการงานทําการงานอะไรรู้ในการงานนั้นๆนี่เรียกว่าเป็นกา ย, ก า, ยานุ ป, ปัสสติปัฏฐานจิตนิสฐานการงานผู้เจ้าจัดไว้กับผ้านนุ อนนอนุสติฐานที่หกจิใชฐานการงานนะใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งของสติหรืออย่างหนึ่งเราเคลื่อนไหวรีบดใช้การเคลื่อนไหวรีบดเป็นฐานที่ตั้งของสติหรือยืนเดินนั่งนอนใช้ท่ายืนเดินนั่งนอนเป็นฐานที่ตั้งของสติหรือไม่ได้ทําอะไรนั่งเฉยๆรู้ลมหายใจเข้าออกใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นฐานที่ตั้งของสติลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในการทั้งหลายนี่พระศาสนาตัดไว้เพราะฉะนั้นเรา ah รู是是้ลมก็ชื่อว่ารู้กายเหมือนกันเข้ามา เพราะฉะนั้นในขณะที่โยมเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าออกจิตกาลังเพลินไปกับการคิดอดีตนะเพลินไปกับการคิดอนาคตนะโยมทําอย่างไรละนันทิกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าโยมมีสติมีสมัมปชัญญะแล้วสติคืออะไรสติคือการระลึกได้อาการจิต ท, ที่ระลึกได้กลับมาที่ลมเนี่ยเรียกว่าอสติ <c oughs> สติเกิดขึ้นแป๊บเดียวอาการนี้เกิดขึ้นปับ๊บแล้วดับไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นมาสัมปัจัญญะรู้ตัวรู้ว่าขณะนี้มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ามีสัมปัจัญญะเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นมาปั๊บดับปุ๊บสัมปัจัญญาเกิดขึ้นรู้ตัวถ้ายมสามารถทรงความรู้ตัวนี้ไว้ได้ยาวนานเรียกว่ามีสมาธิเข้าใจไหมสติสัมปัจัญญะสมาธิต่อเรื่องยาวนานมีสมาธิคือความตั้งใจมั่น ตั้งใจมั่นอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องยาวนานหรือตั้งใจมั่นอยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของเราได้ต่อเนื่องยาวนานจิตไม่หลุดจากการเดินเลยรู้การเท้าสัมผัสพื้นบ้างรู้การเคลื่อนไหวก้าวต่อก้าวที่ก้าวไปบ้างรู้ว่าเดินบ้างจิตไม่คิดเลยไม่ขยับไปคิดอดีตนาคตไม่ขยับไปเวทนาสุขทุกข์เลย <c oughs> นิ่งอยู่การเคลื่อนไหวการเดินอย่างเดียวสุดยอดเรียกว่ามีสมาธิเรียกว่ามีสัมมาสติแล้วแค่นั้นเอง หรือจิตโยมตั้งอยู่กับอุเบกขาเวทนานะอยู่กับอุเบกขาสุขมายนทิ้งทุกมายนทิ้งล้านนันทิไปล้านนันทิตั้งจิตอยู่กับอุเบกขานะนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะหรือจิตตานุปัสสนาเป็นอย่างไรรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะรู้จากจิตผู้รู้เฉยๆอยู่กับจิตผู้รู้นะ รู้ว่าจิตขนาดนี้รู้อะไรแล้วพระเจ้าให้จิตรู้อะไรรู้ลมหายใจนี่เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วธรมานุปัสสนาเป็นอย่างไรเห็นความไม่เที่ยงจางชายดบไม่เหลือสลัดขื่นอย่างนี้จิตผู้รู้เนี่ยกำลังมารู้ลมหายใจใครโฟกัสไปที่ลมหายใจใครจ้องเพ่งไปที่ลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาสิปธฏฐาน ผู้ยอดตัดอย่างไรลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้บุคคลนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผาวิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำอภิชาตและรงมานั้นในโลกออกเสียได้แล้วใครรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายแล้วนี่คือคําพระศาสดาทั้งนั้นนะอาตมาไม่ได้ยกคําอาตมาเลยนะอาตมาทราบหลายพระสูตรจึงตัดต่อ พุทธวจนะมาเพื่อให้อธิบายให้เราเข้าใจเข้าใจไหมแต่เป็นคำพระศาสดานะส่วนใครไปเห็นแง่มุมของเวทนาใครรู้สึกว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างเนี้ยแล้วรู้สึกว่านิ่งๆไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรนั้นคือเวทน า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าบอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย ก็เหตุ น, นั้นในเรื่องนี้ที่สุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำอภิชาตและโทมานั้นในโลกออกเสียได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นความรู้สึกเฉยๆขณะที่รู้ลมหายใจคนนั้นคือจเจริญเวทนานุปัสนาสีปะทานใครมาเห็นตัวจิตที่กำลังรู้ลมหายใจไม่ได้ไปรู้อดีตไม่ได้ไปรู้อนาคตไม่ได้ไปรู้สุขทุกข์แต่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ ขณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาพิเลนแล้วนั้นอาตมาจาึงบอกใครโฟกัสมาที่จิตเป็นสิตานุปัสสนาใครโฟกัสไปที่ลมหายใจเป็นกา ย, ก า, ยานุปัสสนาใครสนใจความรู้สึกเฉยๆเป็นเวทนานุปัสสนาแล้วธรรมานุปัสสนาล่ะ <c oughs> ใครมาสนใจความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเป็น ทำมานุปัสสนาโยมเห็นแต่อาการไม่เที่ยงจังคลายดับไปจิตเกาะลมปั๊บเปลี่ยนแปลงไปคิดอดีตคิดอดีตปั๊บเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งเปลี่ยนแปลงดับไปไปคิดอนาคตเปลี่ยนไปมาลูกายเปลี่ยนไปไปรู้พอใจไม่พอใจเห็นจิตจางคลายดับไม่เหลือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นกําลังเจริญทำมานุปัสสนาสติปัสฐานเข้าใจไหมสัมมาสติสติปัสฐานสี่เป็นอย่างนี้ โดยพระตาตาคดนะส่วนสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิก็คือการเจริญฌานหนึ่งสองสามสี่เจริญฌานหนึ่งสองสามสี่เป็นอย่างไรนะ่ะภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้ก็ตามนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติบัน้นรู้ลมหายใจเข้าออกนะเป็นผู้สังัดจา ก, การามและอกุโศรธรรมทั้งหลายเข้าถึงวิตกวิจาร์มีปิติลสุขอันเกิดจากวิเวกแล้ว่ะอยู่ โยมหาที่วิเวกแล้วโยมก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสงบจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายโยมวางกรรมได้ความคิดในทางกรรมทางพยาบาททางเบียดเบียนชื่อว่าโยมเข้าปฐมฌานได้แล้วนะฌานที่หนึ่งความสงบในระดับเบื้องตน้นขั้นแรกขั้นตน้นฌานที่หนึ่งมีคุณสมบัติอย่างนี้ คุณสมบัติอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างเช่นเสียงไม่เป็นอุปสรรคต่อคนคนนั้นนะเพราะปกติเสียงจะเป็นเสีย้ยนหนาำต่อชาญหนึ่งนะสองละองกุศลได้คือการพยบบติเวเปลี่ยนสามละนิวรณได้นี่นนสีวาจารดับนี่ปฐมชาญ น, นี่ลักษณะของปฐมชาญเป็นอย่างนี้นะ ที่พุทัสสตาโคตตาไว้นะเข้าชั้นสองเป็นอย่างไรวางวิตกวิจารณ์ได้น่ะเข้าชั้นสามเป็นอย่างไรวางปิติได้เห็นได้มาปิติปิติเกิดดับเกิดดับโอ้เบื่อและปล่อยวางไม่อยากได้แล้วปิติแล้งๆได้ปิติโอ้โหชื่นใจเล่นอยู่กับปิติอยู่นั่นน่ะน่ะไม่เบื่อตั้งทีผ่านไปเดือนสองเดือนปีสองปีชักเบื่อแล้ปิตินั่งดีไลก็ปิติทุกทีเลยปิติเกิดไหมดับไหมดับ ไม่มีสาลาอะไรคูณเจ้าบอกเธอจงก้าวล่วงเสียเธอจงปล่อยวางเสียใช่ไหมยาไปติดอยู่แค่นั้นอย่าไปติดอยู่แค่คุณวิเศษอันเล็กน้อยที่เราได้มาวางไปวางไปเรื่อยเื่อยวางปิติขึ้นมาได้หลายชั้นที่สามวางสุขได้ขึ้นชั้นที่สี่นี่คือสัมมาสมาธิในแบบอริยมรรคมืองแปดนะ หรืออีกแง่มุมหนึ่งโยมหยิบมรตมีองค์แปดองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทาไม่ต้องไปวิ่งทาทั้งแต่ข้อก็ได้หยิบมาข้อเดียวทานะทาข้อเดียวก็จะได้สัมมาสติไปด้วยได้สัมมาสมาธิไปด้วยนะได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยไปด้วยได้สัมมาสติไปด้วยเช่อนอะไรพระเจ้าบอกถ้าเธอทิ้งความพิดากุศลอยู่ตลอดเวลาความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ได้สมาธิสติมาข้อหนึ่งเลยเห็นไหมขณะกำเลินกําลังเจริญสัมมาสังกปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายมะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติคืออะไรเคลียอกุศลออกเอากุศลเข้ามาได้ส่วนสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธินะเพราะอะไรเธอตั้งใจมั่นลงที่จิตมักมีองแปดถูกทําขึ้นมาห้าองค์พร้อมๆกันเลยแล้วอีกสามองค์ไปไหนพุทธเจ้าบอก ส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมสามองค์มันคือศินนายโยมวาจากรรมตตาอาชีวะถ้าโยมคิดไม่ผิดไม่มีความคิดอกุศลกายวาจาจะเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอาชีวะจึงบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมเห็นไหมมัดมีองค์แปดจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลย ด้วยอาการอย่างนี้แค่ทิ้งความคิดอกุศลอย่างเดียวง่ายไหมเห็นไหมและเป็นการภาวนาที่หลายรูปแบบอยู่บ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้ทําได้หมดเลยเขารู้ไหมว่าโยมปฏิบัติธรรมไม่รู้เลยเพราะใจโยมทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดต้องไปประกาศให้การไหมก็ผมปฏิบัติธรรมไม่ต้องประกาศเลยแต่ได้มาผลไหมได้เพราะโยมกําลังเจริญสัมมาสังกัปปะอริยะไมีองค์แปดในข้อที่สอง ซึ่งมันคืออะไรมันคือกาลยานวัตที่พระตถาคตจับไว้กาลยาณวัตนี้คืออะไรคืออริยมรรคมีองแปดและพระตถาคตบอกว่าความขาดศูนย์แห่งกาลยาณวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษได้บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายยาเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกาลยาณวัตของเราเลยคือมรรคมีงคองแปดเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นได้แล้วสัมมาสติสัมมาสมาธินะ สิการที่บ้านต้องการให้พระศึกช่างไม่น้ําทั้งห้ามาอธิบายเขาจะบาปไหมอธิบายอย่างไรเขาถึงจะเข้าใจบ้านนาะอืมดีกว่าไปตายอ่ะเนาะไม่ศึกเหน็นหน้ากันอยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแน่ใจได้ยังไงว่าศึกมาแล้วพรุ่งนี้จะไม่ตายใช่ไหมไปเอาแน่อะไรกับความตายอุบัติเหตุนในท้องถนนนี่ เกิดขึ้นวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยรายใครฟังจอสอร้อยไอคนที่ตายที่เจ็บที่พิการมันรู้ไหมวันนั้นมันจะเจ็บมันจะแก่มันจะตายรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยสึนามิมาเนี่คนเป็นหมื่นหมื่นเนี่ตายพรึบทั้งชายหาดนี่เขารู้ไหมกําลังนอนเล่นเย็นชายอาบแดดสบายฝันเฟื่องอะไรโอ้โหเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่จะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขมากพรึบตายเป็นชุด มีใครรู้บ้างว่าตัวเองจะตายใครพยากรณ์ได้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ตายน่ะใครข้าฟันธงขนาดนั้นน่ะมีโยมอยู่คนมาหาแตมาสามีภรรยามหาเสร็จ <c oughs> กลับไปภรรยาบอกว่ารุ่งขึ้นอีกไม่เหยียดทิศมาบอกว่าตงเย็ยนสามีตายวันนั้นเลยโอ้โหตกใจมากน่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรแน่นอนเยอผู้เจ้าให้เห็นขนานไหนให้เห็นว่าความตายเนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตอย่างเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเนี่ยพร้อมจะฟันเราให้ตายได้ตลอดเวลาน่ยเห็นไหมแล้วฉะนั้นอย่าประมาทแสดงว่าเราอธิบายทำไมยังไม่เก่งพอ <c oughs> เขาเลยยังอยากได้เราออกไปเนี่ยต้องศึกษาทำไมให้เก่งกว่านี้บรรยายให้เก่งกว่านี้ เปลี่ยนใจก็ไมได้นะจนนั้นก็บอกว่าโอ้ยอยู่ไปเถอะค่ะท่านนะเป็นความดีแล้วเป็นความงดงามแล้วในพระศาสนาได้พระอย่างท่านมาอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนใจก็ไมได้เห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นศึกษาพุทธวจนะแล้วหาช็อตเด็ดๆออกมา <c oughs> แต่นี้ถ้าเป็นผู้เจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถเยอะไงอืมท่านก็มีกลอุบายหลายอย่างหลายวิธี เช่นพระนันธานะอยากจะสึกนะเพราะว่านึกถึงแฟนเก่าตัวเองสวยงามมากนึกสีไลไยก็โอ้อยากสึกทุกทีเลยเรื่องก็มาถึงผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยให้พิสุไปเรียกนันธามานันทาอยากจะสึกแล้วบอกใช่ทาไมอยากสึกอ่ะ น, นึกถึงแฟนตัวเองสวยอย่างเลยผู้เจ้าบอกอะาะนั้นมานี่ยก็จับมือ น, นันธาไปขึ้นไปบนสวรรค์ ให้ไปดูนางฟ้าบอกนันทาสวยไหมบอกวสวยสวยเป็นไงกับแฟนเธอโอยเหมือนนางลิงถูกไฟลวกไม่นสวยเลยนางฟ้าสวยกว่าเรารับประกันว่าเธอจะได้นางฟ้ามาคลองถ้าเธอบวชต่ออาโอเคงั้นตกลงบวชต่อเอจับมือพระนันทะลงมาบวชต่อ ปานันท์าก็เดินชมกลมนั่งสมาธิหวันจะได้นางฟ้าเป็นเมียใช่ไห ม, มพิสูจนทั้งหลายก็รออปนันท์ทาโอ๊ยี่บวชมาจะได้หวังจะได้นางฟ้ามากลองปานันท์ท้าปาลดกความเพียรไปไปบางบ้าก็าเริ่มอายก็เลยปลดล็กความเพียรจริงจังมากขึ้นจนบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เลย ม, มาคืนแคมกับผู้เจ้าโอ้ยนางฟ้าไม่อยากได้แล้วผู้เจ้าบอกว่า คำของเธอเป็นอันคืนตั้งแต่บรรลุธรรมแล้วนะนี่เพราะนั้นผู้เจ้ามีวบัยที่แยบคายนะในการบอกสอนเราะนั้นไม่ยากเราก็ค่อยศึกษาพุทธวจะนะไปนะเดี๋ยวเข้าใจเองเดี๋ยวรู้เองเมื่อเราเมื่อเขา ส, สลดสังเวทกับเมื่อเราสลดสังเวทกับกายนี้ ที่เรายึดถืออย่างเหนียวแน่นมาทั้งชีวิตแล้วปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีก็ปฏิบัติไปตามเหตุตามปัจจัยพระพุทธจอบปล่อยวางกายได้แล้ i i. Like, วปล่อย ต, anyway. ตัวอิเล็กเคขามะจีวอนไม่ซักเลยไหมอาหารไม่ต้องกินไหมนอนไม่ต้องนอนไหมอยู่อย่งลบสกปรกลงลังไหม สงสาวกมีแต่สะอาดสะอา้านดูไปวัดวาอารามสะอาดเดียบฝุ่นฝนไม่มีเลยบานเบิดเช็ดล้างสะอาดมีไม้ล้างบานแล้วปล่อยมันเน่าให้ไม่ต้องล้างโยมกินข้าวไม่ต้องล้างจานผมปล่อยวางหมดแล้วครับอืมรดลาไม่ต้องเช็ดผมปล่อยวางนะครับนี่ไม่ใช่คนละเรื่องทรงไว้ซึ่งสภาพของธรรมมันเคยกินเคยนอนอย่างไรเกี่ยวข้องกับมันตามเหตุปัจจัยโยมเคยกินอย่างไรนะ ตาตาคดสอนกินอย่างไรกินพอดีโยงจะเข้าถึงความพอดีแต่ก่อนเคยกินมากก็มากินพอดีกินพ อ, พอดีคืออย่างไรให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพ่องอยู่เล็กน้อยแค่นี้กินพอดีแล้วเห็นไหมดังนั้นเราก็ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นและเราก็ทำทุกขเวทนาเก่าให้ดับไปใช่ไหมดาลงตนอยู่ ในแบบของสมณะพระตถาคตตัดไว้สอนว่าอย่างไรกินอย่างไรนุ่งห่มอย่างไรเสพเสนาสนะอย่างไรใช้สอยบริโภคหยุกยาอย่างไรมีตรัสบอกไว้หมดเลยมีการงานอาชีพอย่างไรรายรับอย่างไรรายจ่ายอย่างไรให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนะการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลก บุคคลเมื่อคู่นี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกของคนในโลกเมื่อไม่ชดใช้ดอกเบีย้ยย่อมถูกติดตามการนคนในโลกนี่เห็นไหมพระศาสดาตรัสไว้สอนเราหมดตั้งแต่คาววาสธรรมง่ายๆไปจนกระทั่งธรรมะชั้นลึกลึกอย่างไรมีคนมาถามพระเจ้าว่าใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดใครเป็นคนผัสสะใครเป็นคนรู้สึกพระเจ้าบอกไม่มีงงไหม ปกติบอกฉันอยากฉันรู้สึกฉันยึดแต่พระเจ้าบอกว่าคนยึดไม่มีคนอยากไม่มีคนรู้สึกไม่มีอาะงงแล้วไปคนละเรื่องแล้วพระเจ้าบอกคําถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเป็นคนอยากต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรและคําตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัญหาเพราะมีความพอใจนั่นแหละ จึงมีความอยากทํามาตามมาแล้วใายเป็นคนพอใจคนพอใจไม่มีคําถามที่ถูกต้องค่ะความพอใจเกิดจากอะไรอย่างนี้ต่างหากเห็นไหมผู้เจ้าไล่สายปฏิจจสุบาขึ้นไปเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราขันเราเขาในสายปฏิจจสุบามีแต่ธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นภัสสะกระทบปุ๊บจะเกิดพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจแล้วจะเกิดความอยากไม่อยากอยากไม่อยากแล้วจะยึดนาะยยึดแล้วจะสร้างภบชาตชลามอนั้นต่าง ม, มา อย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมะนะเพราะนั้นปฏิบัติตามพระตถาคตแค่นั้นเองโสดามีความมีความแต่ของตัวเองมีความโลกแต่ของตัวเองไม่มีความเห็นผิดแล้วอยาได้เห็นแต่ ของตัวเองอืมอะไรนอือ<笑>สโสดาลได้สามข้อสังคายณิีวิจิตรฉาสีาสเลีย菩ะปารมาคนมีพระรันาตนตรยในหัวใจแล้วไม่ดูหมอไม่เชื่อมองคุณตินข่าวผดดู้ ด, ดีที่ดีทำดีัวเองสรุปแล้วบรรยายให้ทราบหรือว่าเป็นคำถามไม่ทราบ ยังสงสัยอยู่นะก็ใช่อยู่เขียนมาใช่อยู่เห็นไหมแต่ใช่อย่างโสดามีความโลภไม่มีความเห็นผิดแล้วก็คือโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องนะเห็นตรงทางแล้ววิจิกิจชาก็คือไม่ใช่หมดข้อสงสัยหมดนะยังสงสัยอะไรอีกหลายอย่าง แต่หมดวิจิกิจฉาในมรรคและปฏิปทาเหมือนโยมไม่สงสัยว่าเส้นทางเนี้กลับกรุงเทพได้ไม่สงสัยไม่ใช่ย้อนไปเชียงใหม่ไม่ใช่ไปทางทิศตะวันออกตะวันตกไม่ใช่หมดข้อสงสัยในเส้นทางมรรคและปฏิปทานี่โสดาบันนะโสดาบันผู้จ้าเปรียบเหมือนคนที่เห็นรอยทเท้าช้างมันยังมีข้อสงสัยอยู่มันยังไม่เห็นตัวช้างสกาทาคามีเห็นรอยสีตัวของช้างที่สีตัวข้างๆต้นไม้ อนาคามีเห็นรอยที่ช้างหักเอางวงหักกิ่งนะพระอรหันต์เห็นตัวช้างเห็นไหมโซดาสกิทาคานาคามันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่มันยังไม่เห็นตัวช้างเนี่ยใช่ไหมความเรื่อใส ย, ยังไม่หวั่นไหวจะมีต่อเมื่อถึงพระอรหันต์นะนั่นคือสิ้นข้อสงสัยอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมดังนั้นตรงนี้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะไม่มีคําถาม นะบรรยายมาให้ทราบเฉยๆ <c oughs> รูปรูรู ป, รปสีเสียงสิ่นรสปุพุะนามได้ยินทวานตาหูจมูกลิ้นแกาใจธรรมะสิบเจ็ดคำมีนิดเดียวสั้นแสนสั้ น, น, นเกิดจับอยู่ตลอดเวลาที่นี่เดี๋ยวนี้ขอพระอาจารย์อธิบายด้วยพอเข้าใจเขียนปุัะ ไม่ค่อยถูกอาตมาสั้นกว่าละนันทิจิตหลุดพน้นสั้นกว่าไหมครึ่งบรรทัดแค่นั้นเองละนันทิจิตหลุดพ้นได้เลยนะอันนี้ยังหลายเรื่องนะเนี่ยรูลูกเสียงกินลดปตดตาตา ม, มารลมรู้นะอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ <c oughs> ธรรมะทั้งหมดนี้นะง่ายง่ายก็คือ นั่นคือการพิณาระบบของภาษานั่นเองซึ่งใครมาพิณาตรงนี้ผู้เจ้าบอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานเห็นตาก็พิณาว่าตาไม่เที่ยงตาแปลเปลี่ยนตาเกิดจับหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเห็นลูกเสียงกลิ่นรสก็พิณาว่าลูกไม่เที่ยงรูปแปลเปลี่ยนรูปเกิดจับวิญญาณที่เข้ามารู้ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้พิณาว่าวิญญาณ น, นั้นก็ไม่เที่ยงมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะ ก็ชื่อว่าผู้นั้นกำลังเดินปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการบรรลุพระนิพพานที่พระตถาคตตัดไว้ด้วยพระองค์เองนะก่อนตายได้พระอาารันแน่นอนถ้าใครทำหนึ่งนี้นะง <c oughs> <c oughs> ั้นพระอาจารย์ครได้ทราบจากพระท่านว่าปกติจะแสดงธรรมถึงยี่สิบสามสิบหลังจากนั้นแล้วจะเป็นการสวดมอนอีกคึ้นชั่วโมงโอ้ขออภัยด้วย พอดีเมื่อกี้คุยกับท่านเจ้าว่าท่านบอกคว่าสามทุ่มนะอาตมาก็เลยเป๊ะเลยนี่กําลังจะสรุปจบสามทุ่มเป๊ะพอดีพยายามจะไม่กินเวลาเราแม้แต่นาทีเดียวนะแล้วจริงๆตอนสามทุ่มกับผมอ๋อเพะพอดีไม่บอกก่อนไม่บอกใบนี้ก่อนแต่บอกใบนี้ขอเร่งด่วนครับพอดีนึกว่าเป็นคําถามนะก็ <c oughs> ดูในกายอยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> ในกายจะมาอยู่เสานี้นะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะดูกันคนละเรือนนะขอแทมอีกสองคำถามสุดท้ายพอดีเพื่อจะจบปัญหาตอบอย่างรวดเร็วข้า <c oughs> <c oughs> แตบิดลมีหลายสำนักอยากจะทราบว่าของมหาจุฬามหา ม, มิทยุดัตตบวรอันไหนถูกนะอันไหนถูกต้องและดีที่สุดครับ มหามงคลมหาจุลาท่านผู้ท่าอะไรก็ตามไปแปลจากบาลีสามรัฐทั้งหมดบาลีสามรัตมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยอย่างละสี่พัเล่มเก่าสุดมีสแกนในบาลีสามรัตสแกนในข้อมูลเก่าสุดมหาจุลาเพิ่งเกิดก็ไปหยิบบาลีสามลัตที่เป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นเวอร์ชั่นของตัวเอง มามกุฏเงเกิดก็ไปหยิบบาลีสามรัทธ์มาแปลเป็นเก้าสิบเอ็ดเล่มในเวอร์ชั่นของตัวเองท่านผู้ทา่าตก็ไปหยิบบาลีสามรัท์ที่เป็นภาษาบาลีมาแปลเป็นห้าเล่มจากพระโอษฐ์ทอดเจาอะเข้าไปในระดับพุทธวจนะทุกคนในประเทศไทยใช้บาลีสามรัทธ์เข้าใจไหมเพราะนั้นสแกนในบาลีสามรัทธ์จบง่ายไม่ยากเอาต้นตอมาให้เลยนะ ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนออริจินอลมาในะวิ่งเข้าไปหาชนออริจินอลเลยเข้าใจไหมยอย่าไปมัวลังเลสงสัยอยู่ <c oughs> โซดาปฏิมา ก, กบโซดาปฏิฝนแตกต่างกันอย่างไรสุภาษิโซดาปฏิมากรเป็นคู่รักสังยชน์เบื้องต่ำสามได้หรือยังกําลังจะล่ำได้โสดาปฏิมากรต่างกันอย่างไรโซดาปฏิมากรพระเจ้าบอกอย่างไรมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูสมุกเลี้ยงกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะและอย่างที่สอง คือตัวธรรมานุสาลียตาหูจมูกเล้นงายใ จ, ใจทนเพ่งโดยประมาณอันวิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นที่ว่าธรรมานุสาลียจิตของบุคคลนี้เป็นโสดาปฏิมาศ่ก้าเข้าสู่สมรรถนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นอุจุชนภูมิไม่อาจที่จะทำกรรมที่ทําแลา้วเข้าสิงนรกกําเนิดเดชานเป็นวิสัยได้และไม่ควรที่จะทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลนะพะฉะนัะ้น <c oughs> <c oughs> นี่คือโสดาปฏิมาศส่วนโสดาปฏิผลก็คือ เข้าไปเฝ้าดูมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นใจใจเนี่ยไม่เที่ยงแล้วเข้าไปเพ่งดูเฝ้าดูแล้วเห็นผลจริงตามนั้นความเห็นเปลี่ยนเมื่อความเห็นเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรไม่กระทําซึ่งวัตะโก ต, ต, ตูละมงคลปล่อยวางปุพันทานุทิฏฐิ ป, ปันตานุทิฏฐิได้ความเห็นปลารลบผ่นเบื้องต้นเบื้องปลายเห็นสายปฏิจจสุบาทสายใดสายหนึ่งโดยนยายะอริสัตถีคือมีญานวัตถุสี่ยาณวัตถุเจ็ดเจ็ นะเห็นอริยญาณธรรมเห็นไมนี่สี่สิกวญญานรยะของความเป็นพระโสดาบันเอาไปอ่านซนะแล้ววัดสอบตนเองนะผู้เจ้าให้พยากรตนและตนนั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะโอเคไหมวันนี้เอามาแจกด้วยรานนั้นเราจะมีคู่มือพกติดตัวโสดาบันเอาไปอ่านกันะ เอาไว้อ่านซะแข่งกันเป็นโสดาบันทุกคนแล้วประเทศชาติจะล่มเย็นสังคมจะล่มเย็นแล้วตัวเองก็ได้มรรคผลนิพพานโลกุตรธรรมนะอ่าเกินมาสามนาทีนะ <c oughs> ก็คง <ผม S 1> ต้องขอจบการบรรยายธรรมนะ <c oughs> เพียงเท่านี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของที่นี้แทบจะไม่ได้ลุกไปที่ไหนเลย ขอุโมทนามากทุกคนตั้งใจฟังกันดีและนานๆจะมีโอกาสมาสักพีทำวัสดสวดมนต์สวดกันได้อีกหลายรอบหลายปีหลายเดือนนะวันนี้นานๆจะมาทีเอาประโยชน์จากการฟังธรรมประโยชน์ของการเกี่ยวข้องกับสมณนะพระตถาคต บ, บอกว่าได้ยินได้ฟังธรรมนั่นคือประโยชน์สูงสุดได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่เคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครไม่เคยได้ยินคำพระตถาคตก็ได้ยินแล้วใครไม่เคยเห็นความสำคัญของคำพระตถาคตก็ได้เห็นความสำคัญแล้วใครไม่เคยรู้มรรคติที่ง่ายก็รู้แล้วใครไม่เคยรู้คุณสมบัติของพระโสดาบันคลำทางไปก็รู้แล้วนะนำเอาไปให้ควรพิจารณานำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วช่วยถ่ายทอดบอกสอนต่อไปขอสามอย่างหนึ่งศึกษาพุทธวจนะ สองปฏิบัติตามพุทธวจนะสามถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปนะแล้วเราจะบรรลุธรรมแล้วศาสนาจะตั้งมั่นมั่นคงดำรงอยู่ได้นานสมดังพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุปัจจัยที่พวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมานี้ได้ประพฤติปฏิบัติตา ม, มารักษาสินภาวนาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายจงประสบผลสาเร็จที่ ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอันเป็นธรรมเป็นวินัยมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและที่สุดแล้วขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินเดี๋ยวตั้งใจรับพรนะยะสาวาริวหาปูลาปริกุเรติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินัง เปตานังอุปการปติอิทธิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิจตูสเปปูเรนตุสังกปฉันโทปนัลโยธามานิโชติลโสยธาสปิติโยวิวัจนตุสัพพโลกวินัสตุมาเตภวัดวันตะราโยสุขีทีกายุโกปวะอภิวธตนาสีลิสานิจังวิทาปจายโนจตารธรมาวัตันติ อายุวันโนสุขังปราหลัง <c oughs> <c oughs> ใช่ไมอเอ่อเอ่อหนังสือจะมีระบบวิธีการแจกก่บไหนดีเนาะจะอืมคนเยอะเนาะจะมารับเลยตัวเองจะจะหรือจะมีตัวแทนมารับหรือว่าจะรับเลยหรือว่ายังไงใครเป็นผู้ดูแลที่มีจะรับไปไหมแล้วเอาไปแจกกัน อาตมามีโซดาบันมาให้สามร้อยเล่มลลนในนี้สามร้อยมันเนี่ยได้มะมแต่ลานี้จุได้เท่าไหร่น้ออืมเนอะเอาเท่าที่พอเนอะ <c oughs> แล้วก็พุทธวจนะนี้ก็อก็ขอถวายให้พระก่อนอันดับแรกนะ แล้วก็ที่เหลือให้กับญาติโยมก็ให้ให้ทางพระผู้พันเต ท, ที่มีอวุโสมีปันษายิการในที่นี้ก็เป็นผู้จัดแบ่งแล้วกันนะไปรับแจกได้ทีเลยไม่ต้องเชา่าไม่ต้องอะไรน ะ, อ, ะอยากทําบุญก็เรื่องของทําบุญอีกอย่างแต่แจกให้ฟรีนะอ่า อันนี้พอดีรถก็ไม่ใช่รถบรรทุกได้เยอะนะก็เอามาเท่าที่ได้นะแล้วก็มีอะไรอีกแผ่นพับนะแผ่นพับวันนี้ชาวพุทธทำตามใครสิกพระสูตรนะที่เป็นพุทธวจนะโสดาบันซีดีตอบคาถามของนักปฏิบัติที่อยู่พุทธิกกบสมาคมนะใช้พุทธวจนะตอบล้วนๆทั้งหมด <c oughs> มีอะไรอีก อันนี้ <มา S 1> อันนี้มีมาทั้งหมดหรือเปล่าสามร้อยเป่าไม่ไม น, นี้ตัวอย่างใช่อหมจะมีซีดี CD ที่เป็นตัวอย่างมาให้ด้วยก็อยากให้ผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะไล่แจกนะ <c oughs> หมู่คณะนำเอาไป <20. S 1> น ะ, ะอันนี้อย่างละยี่สิบซีดีปึ้งนี้เป็นการเสวนาสามศาสนาจะมา <c oughs> ตัวแทนาศาสนาพุทธ <c oughs> นะแล้วมีคริปอิสลาม ไปโต้กันที่ใบเ็กบังนานะคนฟังก็หลายร้อยเหมือนกันนะแล้วก็ที่สเสถียนธรรมพูดกับวอวาัชิระเมธีกับไมคีสนตนีนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมแก้กรรมอย่างไรแก้กรรมแบบพระตตากฏแก้อย่างไร <c oughs> ลองฟังดูนะ <c oughs> อันนี้ขุมทรัพ์จากพระโอษฐ์อ่านจากพระโอษฐ์ทั้งเล่มให้พระอ่านนะเล่มใหญ่นี้ทั้งเล่มนะอันนี้แจกกันนะ ขอให้คนมีสกภภาพรับไปสักห้าคนสิบคนในนี้มีประมาณสิบแผ่นนะแล้วก็เอาไปช่วยไล่แจกกันเพราะว่าบางคนอาจจ ะ, ะที่อยู่ไกลจากวัดธารมาแต่ถ้าไปที่วัดก็รับแจกได้ฟรีนะมีทุกอัน <c oughs> อันนี้ขุมทรัพย์อันเดียวกันมีอะไรอีกนะ สิขาบทร้อยห้าสิบนะข้อมูลหลักฐานนะเป็นดีวดีนะานาบรรยายให้ทราบว่าสิขาบทมีทั้งหมดเท่าไหร่นะที่พระจะต้องรักษาแล้วก็ทบทวนคืออะไรนะรักษาทั้งหมดเท่าไหร่ทบทวนคือเท่าไหร่แยกการรักษากาการทบทวนออกจากกันนะ <c oughs> โปรแกรมสิดคนมีมาเล็กน้อยที่อาวุโสมาท่านสแกนให้เมื่อสักครู่นี้มีไม่กี่แผ่น นะแต่ดึงในเว็บได้เบอร์ไวเว็บไรพิทักษ์ดอทอมนะอันนี้ก็มาให้เป็นกันนะแล้วก็ร้อยาสิบสีขาวบทเหมือนกันอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมัดมัดรวมกันไว้อ่าเยนใบท็กรวมกันไวอ่ะหมดแล้วมีแค่นี้ฮะ พทธวิชันะยงจะเป็นตัวแทนรับไปใช่ั้มอ๋ออยากได้แต่ออไม่ไม่ไม่ทราบว่าอ่พระจะรับไปยังไงในการจะให้ขอก็เดี๋ยวถวายให้กันไว้ให้เจ้าวาหลองเจ้าวาและพร้อุโสสัก สักสิบสิบสิบเล่มสิบเล่มก่อนก็นได้เนาะให้ใ ห, ให้ให้ท่านไปแจกกันแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าอาจารย์ท่านใดต้องการส่งความต้องการมามาได้ที่วัดเดี๋ยวผมจะจัดให้ทั้งหมดนะครับเท่าเท่าที่มีนะครับแล้วก็อสิบเล่มสิบเล่มยมจุกนําไปถวายท่านอาจารย์ที่นั่นนะ อ๋อไม่เป็นไรเราเยอะไม่เป็นไรนะช่วยช่วยกันโลกศึกษาพุทธวจนะ ไ, ไม่เป็นไรแต่ภายใต้ของที่มีจำกัดณนะวันนี้เราจะแบ่งสรรยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเอง <c oughs> นะอ่าแล้วก็ที่เหลือที่เหลือกี่เล่ม น, นะสิบทเลสิบเล่ม <c oughs> แล้วก็ซีดีเรื่องนี้ด้วยนะอ่า อันนี้มีจัดไว้เป็นชุดหรื อ, อยังทุกคนทุกเรื่องับมันสามร้อยมีอ่าสามรอยชุดสามร้อยชุดมีอย่างนี้นะนะสามรอยชุดมีอย่างนี้อ่าที น, นี้ใครใครที่คิดว่าพอจะจะอืมนําไปแจกนําไปอะไรได้นะใครเป็นตัวแทนองคอ์กรต่างๆเช่นเป็น คณะบดีมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรก่อ น, น, ะนอะไรนะเ ป, นเป็นเป็นอาจารย์สอนเด็กชั้นมัธยมอ่าเชิญเิญอ่า ม, ม, มีมีมีใครอีกเป็นตัวแทนองคอ์กรเอาตัวแทนองค์กรก่อนยมเป็นตัวแทนของอะไรเนาะอย่างใครมีมีมสถานีวิทยุหรือว่าอะไรเนี่ยเป็น นักจัดรายการหรืออะไรเนี่ยจะได้เอาไปแล้วเอาไปอ่านให้กระจายกับอีกหลายหลายร้อยคนดีไหมเนาะยืดออกเลยไหวไหมหนักใช่ไหมไ้ยังอ่ะช่วยช่วยกันทคนช่วย <c oughs> เตียไม่ถึงนม่แหละเอากล่องอะไรมาก็ได้มาวางของพานก็ได้นะเสิอไม่สูงขึ้นไงอ่านั่นแหละนั่นแหละนะอ่าลหนังสือเจมของเป็นอาจารย์โรงเรียนใช่ไหมอ่ะยกแต่ยกมาเลยสมศักยยกหนังสืออ่านั่นแหละชุดเล็กดชุดเล็กด้วย อืมอ่ะรับเลยอประกบไปชุดเล็กเลยอันนี้ตัวแทนองคอ์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเอายกลอยขึ้นลอยขึ้นมาอ่ากัยมอะมไรเนาะเอาาตัวแทนองค์กรก่อนนิดหนึ่งทำมัศภาตำบน อ่าทำโยมเลยเอามไปศึกษาอยากไปศึกษามีพวกตัวแทนหมดหรือยังตัวแทนองค์กรหมดหรือยังอ า, ายาอาจารย์มหาวิทยาลายัยอ่าไปรับเลยรับเลยรับได้เล ย, เลยไม่ผิดวินัไนยไยแค่ให้ทางบริษัทอ่าไปตัวแทนบริษัท อ่าอ SCD ครบไหเนี่ครบชุดไหมเอามาให้ครบนะพวกตัวแ<ร>ทนนี่เอาให้ครบทุกชุดนะใส่แล้วดูด้วย อ, อืมเห็นมีน้อยน้อยนี่รนะ้อยห้าสิบนะอ่าใบเดกกลุ่มซับละ่ะกลุ่มซับล่ะจัดเป็นสามกลุ่มสีแล้วก็หยิบให้ครบสามกลุ่มโอเคอ่ ะ, อะ มิทิยกรธรรมะเอาไปเลยนะช่วยเผยแต่ต่ อ, อรับเลยรับเลยโยมรับเลยนะนี่บอกพระวินัยอันหนึง่งพุทธศาสนาเขาให้ด้วยกายเราลับด้วยกายรับเลยไม่ต้องไปยึกยั้ยักเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเราลับด้วยของเนื่องด้วยกายมีของเนื่องด้วยกายก็ได้อย่างนี้เขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเราลับด้วยกายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรได้หมดเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกาย เรารับด้วยของเล่นด้วยกายอีกทีก็ได้อย่างที่ห้าโยนให้นี่จัดกับพระอุบา ล, ลีเพราะฉะนั้นใช้คำว่าศาสนาเลยทรงหยิบพับรับไปเลยเร็วรวนเร็ว เ, วเวนาะไปผิดวินัยนะเพราะนั้นอาตมาทำตามวินัยเห็นไหม อ, อันนี้ของโยมอะไรเนาะสอนะสอนสอนเป็นอาจารย์สอนอ่าอาจารย์สอนเอาไปโยมอะไรเนาะ เป็นอาจารย์จากโรงเรียนจินรัปดาอ่าช่วยกันส่วนตัวเองพระโสดาบันละน้ำที้บบ่อยๆรู้ลมหายใจบ่อยๆพรเจ้าบอกโสดาบันแน่นอนไหนมีลเล่มใหญ่เล่มใหญ่หมดยังหมดแล้วอ่าเรนี้อ่าอ่าเรนี่เหลือเหลือเล่มเล็กเอาไหม อ่าจะเป็นชุดเลยจะเป็นชุดนี่ครบใช่มจะติดเทมเพลย์ไหเนี่ยอ่าคในุย หยิบให้ถึงยิบใถึงโยมอาตมาจะตกอาสนะโยมหยิบใหถึงเลยยื่นมือเข้ามาหยิบเลยนะอ่ากศูนปฏิบัติธรรมพุทธบริบาลส่วนปฏิบัติธรรมอ่เฮ้ยทำไมนี่มันบางๆเนาะซีดีซีดีเครื่องนี้เ่ะ ใส่ทิศสัสจกจักสามอันนี้ครับผมจับรั่งาจากไหนนะฝรั่งเศสอ่าจากาสจากามธนาสูกอืมอันนี้ทั่วไปทั่วไปชุดเล็กอ่าทั่วไปชุดเล็กชุดเล็กโบราณอ่า ดี стати, ไให้ให้การบรรยาธรรมครับดี um uh. ีไปเผยให้มาตามอาไมรมพอะไรนะชมลมเพื่อสุขภาพชมรมเพื่อสุขภาพอ่าชิลเล็ตชุลเล็กไปก่อยมอะไรนะดี่ะพอนร่วมเฉพาะีดีซีดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ่าพวกชมรมอื่นมีไหมพวก ตัวแทนชมรมอ่ะฮะตุณเล็กอ่า